ทำช่วลักนิ้วมือเนี่ยทาทาแบบว่าอ่าช่วลักนิ้วมือทําบ่อยๆ ท, ทํำทีมันก็เกิดเป็นอ่าสมาธิปัญญาขึ้นมาได้คือมันคีหมอเคยได้ยินพระสูตรไหมคะ ม, มีมีแต่ตรงข้ามว่าแค่รู้เก่งบวชแต่ร้อยปีหรือว่ามีชีวิตร้อยปีหรือบวชมานานเนี่ยถ้าไม่ไม่รู้สึกตัวหรือว่าไม่ไม่เห็นธรรมเนี่ย ไม่เห็นความคิดแค่ช่วงหนึ่ง ง, งูแลบลิ้นช้างกระดิกหูอะไรเงี้ยงูแลบลิ้นเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ชีวิตโมฆะเ่างั้นพูดพูดหนักนที่จริงไมพูดหนักเลยเพราะว่าที่น้อยได้ยินที่ที่น้อยได้อ่านมานะคะที่น้อยได้อ่านจากจากพระสูตนะคะที่ที่เขาอ้างเองว่าเป็นคำที่ตรัสจากพระพุทธองค์ เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนนายนายห้าที่ขายของบบนีด้วยชีวิตร่างกายของเขาเนี่ยเขา so busy, ้าโซบีซี่ด้อยเอาหลักน้ำมันปสิบัตมันก็เห็นเกิดหเห็นผลที่มันเหมือนแต่ว่าอนุาสาะมีปริหารของพระองค์ว่าจิตเรานิ่งหน้าที่การงานเราดีบริวารก็ดีเพราะว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเหมืออกันเราไปจอดรถไฟแดงปั๊บแล้วก็ ได้รอบสองรอบมันแขงแ็งขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่หมอถูกต้องคือว่าคนเราสามารถทํ <c oughs> าก็แล้สมาสมาธิสมาสติเนี้ยได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะลดวิถีของพระเทียนนี่จะง่ายเพราะว่าเราอยู่กับการเคลื่อนไหวเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาตอนนี้เวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องเบรกคือเราก็ยังมีสมาธิอยู่นะแต่สมาธิเป็นกับการงานเช่นตัวอย่างที่แน่แ น, นอนคือว่าสมมติทำข้อสอบเนี่ย จะมานั่งปฏิบัติได้ไงมันต้องเอาอยู่ได้ทักต่อก็สอบนืจิตเจก็อยู่ตรงนี้พอเราวางปากกาเราก็กลับมาดูจิตในหลวงก็ท่าอย่างเงี้ยในหลวงรเ้ก .9 น ะ, ะท่านไปบอกสาภาพกับพวกอาจารย์ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาผมทำอย่างนี้ถูกไหมท่านก็บอกก็ถูกยืนยันว่าถูกคล้ายๆบอกคล้ายๆว่าท่านมีภารกิจยุ่งมากแต่ละวันเนี่ยก็พรีออฟคิพพายกับเรื่องชาวบ้านเนี่ย น้ำท่วมี่ไหนอะไ ร, รก็ต้องรู้จะไปสร้างได้ตอนนี้เวลาท่านมีเวลาท่านก็แบบเป็นเป็นหากําไรอันนี้นี้ก่อนขอผู้คือคือเมื่ อ, อกี้ไม่ได้แนะนําวิธีเดินไม่รู้หลายอย่างพี่มาถามว่าเดินยังไงเวลาเดินเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือเดินโดยเดินดินด้วยธรรมชาติแล้วก็พยายามอย่าอย่ากแกว้งแขนเพราะฉะนั้น มือเนี่ยเก็บไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังควายหน้าหรือควายล่ะหรือกอดอกแต่ถึงสายลบปู่มั่นก็ห้ามกอดอกนะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นกรรมวิธีของแต่ละสำนักนะฮะแต่ก็พอดีพี่ขอบคุณนี่มากพอดีเพิ่งแนะนําวิธีเดินจงกรมคือเราก็เดินเป็นทุกคนนะแต่เดินถูกก็แบบใกล้ธรรมชาติที่สุดคือทำ ธรรมชาติที่สุดเนี่ยคือแล้วอย่างที่บอกอ่ะพยายามเก็บมือคือว่าให้ดูสิ่งเดียวที่มูฟคือที่ขาอย่าไปเท่งที่ขาด้วยอย่าไปเท่งที่เท้าให้รู้ว่ามีการเคลื่อนไหวของกายส่วนหนึ่งของกายเคลื่อนไหวไม่ต้องรู้ซายไม่ต้องรู้ขวาแล้วก็ไม่ต้องเดินแบบยุบหนอบ้องหนอก็จะเดินช้ามากแต่กถ้าไปเรียนกับพวกนี้เนี่ยพอพอเรียนเช็คทักบอกยกแรกหม ด, เ, หมดเดินธรรมดา แ <laughs> สดงว่าอันนี้เป็นเพื่อว่าคนเริ่มต้นนะเป็นการดึงจิตยกหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอกดหนอหกขนาดนี้อนั้นเราคนใหม่เพื่อว่าจะซอยละเอียดให้ยิบเพื่อว่าดึงจิตไว้อยู่ตรงนั้นแล้วมีฝรั่งเขามีเรียกว่า analytical paralysis เขาบอก wake up at six o'clock six o, clock, o and I open my e y e 6:02 I went to the restroom 6:03 I was brushing my teeth แต analytical paralysis เกล้ย็รู้เป็น natural นะแล้วก็ในวิธีหลงพ่อเทียนนี่ย่าเอากระเป๋าใส่ให้ดูใส่มือใส่กระเป๋าก็ได้แม่พ่อเดี๋ยวนี้มันกระเป๋าทำไมอินเดียก็ใส่ใส่สโลงเงี้ยมัไม่มีกระเป๋าแล้วก็เดินธรรมดาเนี่ยเดิน แล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็เดินกับในเวลาเราบกุ้มใจก็ไปเดินอย่างเงี้ยไม่ใครรู้ว่าเรากำลังทำสมาธิทำวิปัสสนาดูแล้วก็ที่บอกก็ไม่ให้เพ่งเท้าเนี่ยเพราะถ้าเพ่งเท้าก็จิตมันก็อยู่ที่เท้าแล้วก็รู้พื้นเราเรียบไปใช้ได้แล้วไม่ขุ่นเดินแล้วไม่สะดุดก็โอเคแล้วทีนี้เราก็รับผูกกับการเคลื่อนไหวของกายแล้วก็ดูที่กายเวทนาจิตธรรมที่ตาพูด อยู่สี่สถานสี่หรือว่าคือดูชีวิตเราอะใจมันคิดอะไรนแวบไปไหนอะไรเงี้ยหรือว่ากำลังกุ้มเรื่องอะไรกุ่มเนี่ยดีนะกุ้มหรือว่ากังวลหรืออยากอะไรมากมากเนี่ยมันจะมองไปถึงเขตของมันเองความคิดจะจับความคิดได้ตรงนั้นว่าเรากุ้มเนี่ยเราจะจิตเราจะปรุงหรือว่าอยากอะไรมากๆาเ่ยไอเสื้อตัวนั้ น, นต้องเอาให้ได้คิดเอาอ้ยความคิดเลิกเลยไม่เอาแล้วมีทั้กี่ตัวแล้ว ก็เหมือนง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปย่องย่องมหยกยนัง <c oughs> ก็มีหลวงพ่อคำเขียนตอนที่มาสารักท่านมาเก้ 97, าสี่ปักเก้าเจ็ดพาไปหาพระที่พระพระมา่าแถวนิวยอร์กแล้วก็บท่านก็ไปนั่งรอที่โ ซ, โซฟาพอพระพมา่าออกมาจากจากประชูมัก็เดินย่อง กับสิบนาทีเขาบอกชีวิตทําไมต้องช้าอย่างนั้น <unc> ก no ็้าใจไหมคุณมีสติโดยเร็วก็ได้ผมว่าผมเคยพูดไว้คำหนึ่งนี่ไม่เกี่ยวกันนะบอกบางคนขับรถเร็วบางคนขับรถช้าบางคนขับรถช้าแต่มีอันตรายเยอะมีอุบัติเหตุเยอะบางคนขับรถเร็วแต่ไม่มีอุบัติเหตุแสดงสติก็ดีกว่านะเราก็ไปของเขาได้แต่ก็ไม่ควรประมาทว่าเร็วเกินไปเพราะว่ายิ่งเร็วมากขับมากก็จะมีอันตรายมาก นะสิ่งแรกที่ว่าผมไปเปิดออฟฟิศนะ่ะสิ่งแรกขนาบอกไนงะอยู่ ป, ประกันเพิ่มเพราะเราขับรถมากขึ้น <c oughs> นะีสิ่งแรกเลยมันสออยู่ปประกันเพิ่มสัญญาล่าประกันอินชัวร์อัตภัเป็นะี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรีเรยนรู้ว่าต้อมีสติสัมปชัญญะแต่ว่าถ้าเราเอ็กโพสมากก็จะต้องรู้ว่าเดี๋ยวต้องแก้ไข ย, ยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีที่ว่าเดินให้ถูกต้องคือเดินโดยธรรมชาติ แล้วก็ดูที่ชีวิตเรากายเวทนาจิตธรรมเป็นนิวาสสี่ที่บอกคนเรามีชีวิตที่เนี่ยกายไม่ก า, กายก็เวทนาความรู้สึกหรือจิตเราคิดยังไงกณฑ์เราเป็นยังไงกลุ่มหรือไม่กลุ่มแล้วทำเนี่ยทำโดยเฉพาะความคิดมันจะวิ่งตลอดเลยเนี่ยเราก็รู้พวกนี้แล้วอีกช็อตหนึ่งขออีหนึ่งคำถามนะคะอีกช็อตหนึ่งก็คือว่าการที่ตามที่น้อยได้ไ ด, ได้อ้างอีกเรื่องพระสูตรนะคะพี่หมอคราวนี้ กับคนต่างชาติอย่างลูกน้องนล่นเนี่ยเขาทุกทุกทุกเพราะว่าสังขารเขาสิ่งเดียวที่นุ้ยบอกเขาได้อ่ะอยู่ <c oughs> ลองไปที่ทะเลสิแล้วเวลาอยู่สูดเพื่อหายใจเข้ามาสักเพื่อหนึ่งเนี่ยตรงนั้นอายุจับได้ไหมว่าสมองอยู่อ่ะมันไม่คิดอะไรถ้าอยู่ทําแบบเน้นได้บ่อยๆทําเนืองๆ น, นั่นก็คือทางที่อยู่จะออมองเห็นได้ว<อ>่าอยู่จะ ทุกน้อยลงคือให้เขาสังเกตว่าคือคือน้องไม่รู้จะคอมแพ์แล้วแล้ว ก, ก็คิดออกน้องเองว่าเอ๊ะเวลาเราไปบอกว่าสูดสูตรไปเอาออกซิเจนเนี่ยมันรู้สึกช่วงแว็บวินาทีเซ็เตนั้นอะเราไม่คิดอะไรเลยถ้าอยู่ทำได้แบบ น, นั้นคือนี่คือหนทางที่น้องสอนคนต่างชาติคื อ, คอมันดึงออกซิเจนเข้ามาหนึ่งสองก็เ ข, ข้ามาที่ลมหายใจมีผูกกับผูกกับกายจิตมันก็เลิกคิดไปหนึ่งแต่ว่าจะจะไม่เกาคิดต่อคงยาก แต่เ้าทำบ่อยๆก็ได้ได้เขาบอกว่าได้ผลเวลาอยู่จะกลัวอยู่ก็แบคอักมาในหนึ่งแล้วอยู่ก็คือคือน้องพยายามสอนฝรั่งเขามีนับหนึ่งถึงสิเป็นต้นให้จิตมีสติมีไม่หลงไปตามความคิดแต่เขาไม่รู้หลักคือเพื่ออะไรคือไม่หลงไปตามความคิดอย่างทหมพี่เขาบอกเมื่อกี้เขาสอนฝรั่งเขาบอกพอบอกนกอ๋อมันเข้าใจเลยนะอลักิซ้อนเดส o ค่เน์อ่าระักคิดคือคนเราที่ยถ้ารื่อ เียวเพอร์เซพชที่บอกสัญญาเนี่ยสัญญาบริสุดคือมีสติสัมปทัญญะถ้าไปพออันหนึ่งสัญญาเจตนานี่มันก็ลักคิดและนะเราต้องการเนี่ยขนมมากกว่านี้อะไรเงี้ยหรือเาน้ํามากกว่านี้อะไรเงี้ยก็อาหารมากกว่านี้มีปัญหาแล้วอันนี้ยใช่ได้ได้ดสั่งคำสั่ือสา ม, มารถที่จะไปคือลักคิดคนเราทุกเพราะความคิดนี่คือลักคิดคนเราต้องคิดตลอดเวลา ก็ไปห้ามความคิดไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าให้มันคิดให้มันสร้างสารรค์หรือว่าในทางที่ ด, ดีหรือว่าคิดให้น้อยลงะนะบางทีคิดสร้างสารรค์มันก็มีปัญหานะี่มีคนมีอุปสรรคเขามาเราจะไปสร้างพระแม้ก็มาว่า ง, งนี้อีกอ่ะเนี่ยเป็นอุปสรรคนะมันก็ทําให้เราเดือดร้อนนะทำให้เรากุ่มใจนะมันก็อย่าไปติดมันมากไกล ม, คมีคําถามบิดไหมฮนะระหว่างที่ปฏิบัติธรรม วันนี้ต้องขอบคุณเลยทุกคนเข้มแข็งมากในครัวก็เข้มแข็งไม่ไม่รู้สึกได้ยินเสียงกุ๊กกิ๊กกิ๊กกกตลอดเลยแหละเหนื่อยมากเลเจ้าของบ้านมีมีใครจะถามเลยไหมฮะไม่มีก็เลยต่อนะเอออันนี้อันนี้ที่สัญญาว่าจะพูดว่าการทำงานของจิตเป็นยังไงเนี่ยปฏิโซบะ คือกระชาบอกว่าพระเจ้าตรัสรู้อยู่สองเรื่องคือปฏิชนบาทและนิพพานที่จริงมันก็คือปฏิชนบาตรสายเกิดและสายดับคือเรื่องเดียวกันน่ยสายดับก็คือท่านเห็นมันขาดนะหลวงพ่อพุทธธาสจะบอกว่าภาษาโง่ที่จริงมันอยู่ที่เวทนาเวทนาที่เป็นต้นเหตุของกรรมคืออะไรเหตุของกรรมคือเวทนามันก็อยู่ในสายเนี่ยทุกคนได้ได้ชีดนี่นะพี่ได้ไหม ใครไม่ได้ไัหยผมมีม่เหลืออีกเยอมาให้อันนี้ผมเขียนไว้ส0กว่าปีแล้ว เดียวมาสิบหปีแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อคำเกณฑ์นั่นก็บอกชัดเจนว่าพ ร, า ะ, พราะพุทธเจ้าท่านสอนอยู่เรื่องเดียวกันเนะี่ยคือมันก็ลงมาที่สิบสี่สิบบาทบางทีแต่ว่าคนมันเนื่องจากจริตมันต่างกันบางคนก็ต้องสอนให้ที่ขันห้าบ้างเพามันดูของหยาบที่ลูกหรือว่าอาจจะดู พ, พวกที่ analytical เนี่ยจะต้องมาเรียนคันหหรือยนตนะหกอย่างพายยะเนี่ยพุ่งเพื่อเดียวก็ปิงเลยนะี่ยชนะลหันไปเลย คืออายตนะหกตรงไปตรงมาเลยว่าคือคือดูด้วยไม่เกิดความคิดเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ได้ยินรับทราบก็มันเกิดจากอยายตนะหกรู้แจ้งก็สักแต่รู้แจ้งว่าเป็นการทางของจิตการรับรู้เวทนาไม่เกิดกรรมอะไรเงี้ยก็มันก็เท่ากับเห็นปฏิโทมนบาทซึ่งตันทายของพระสูตรของสติปัฏฐานสูตรเขบาบอกว่าอายตนะหกท่าสิบแปดทำงานร่วมกันเกิด จากกุบิญญาสุตตวิญญาเกิดเวทนาสัญญาสัญญเตจนาที่มัิชาพูดถึงถ้าเกิดตันหาวิตกวิจาร์ตามนี้วมันก็เป็นขั้นตอนที่มันชัดเจนมันก็คือเอาปฏิจจสมบาทเนี่ย ม, มาสรุปย่อปฏิจจสมบาทก็คื อ, อวงจรของของธรรมที่มันเกิดเป็นขั้นตอนเป็นหัวใจพุทศาสนาที่บางทีอย่อว่าปฏิยาการ กฎของการเป็นเหตุและผลฝรั่งเรียกกัน dependent origination หรือ dependent arising หรือ dependent co-origination นะมันก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีแต่ภาษาบาลีนี้ก็แปลกท่านนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีอะไรเงี้ยสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ถึงเกิดอะไรเงี้ยสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับนะนะสิ่งนี้คือการว่าพอมันดับพับมันก็หายไปหมดอะไรเงี้ยก็ทุกข์ก็ไม่มีนะราะนั้นมันก็ แล้วเราก็บอกสิ่งนี้มีสิ่งนั้นถึงมีสิ่งนั้นมีเหมืนสิ่งนู้นถึงมีก็ต่อไปนะยิพซาบาลีก็จากัดก็ก็แปรตามตัวก็เป็นอย่างงี้สิ่งนี้มีถึงนี้หนึ่งมันดูซ้ําๆอย่จริงจริงมันหนึ่งมีสองมีมีสามมีสี่มีห้าตามลําดับมันเริ่มที่อวิชชาอวิชชานี่ไม่ว่าไม่ว่าแก่โง่นะไม่ว่าเป็นคนอาจจะเป็นหมอเป็นโนเบลลอีเอตมี มีพีเดีกี่ตัวก็ตาอาจจะเป็นคนที่โง่ที่สุดก็ได้คือมนีวิชาคือหลงตัวเองคือไม่เห็นความคิดตัวเองสรุป ง, ง่ายๆคือไปติดอยู่ในในอกความที่ไม่รู้พอไม่รู้มันก็โง่ที่ว่าไปเกิดโรคกนหลงตาม่ะวนอยู่ตรงนั้นเหตุของเกิดเกเของวิชาคืออ า, อาสวะอาสวะก็ทำให้เกิดก็คือโรคก่หลงครับพือ ง, ง่ายๆตามมาสวะ้าวาสวะวิชาสวะอะไรทิฏาสวะ อะไรเงี้ยก็เป็นเป็นที่เขายกตัวอย่างคือข้างบวกข้างลบคือโลภชวโลภก็หลงชั่วง่ายๆเป็นรากฐานของมันมันเป็นเป็นคล้ายๆยีย่เด็อย่างละเอียดที่เรียกอาัศาวะหรืออนุสัยที่มันนอนเรื่องอเป็นคาตกรนะเออมันก็ฟังอยู่ในสันดานแต่ก่อนเราจะฆ่าไอ้ตัวตัวตัวอวิชชานี้ไปเพราะมันทําให้ตัวเกิดตัวไม่รู้เพราะเราหลงตัวเองเพราะงั้นอ่ะพอหลงมันก็เกิด อวิชาหือว่าความไม่รู้เนี่ยไม่รู้ถ้าถตามอังเตียรี่เขาว่าไม่รู้อะไยสัตสีไม่รู้ปฏิสุธสมบาทคือไม่รู้อันนี้ยคือพูดไปก็กลับไปกลับมาภระไซก็ยังมองสมนัสาอ้าวแล้วทาไมบอกว่าอสวะเป็นเหตุของอวิชาก็เป็นเหตุของพูดกลับไปกลับมาแล้ก็มันเหมือนตะเกียบสังขามันต้องคู่กันเหมือนไม้ที่ตักมันอาศัยกันถึงตั้งอยู่ได้ ถ้าดึงอะไรออกมันก็ลมนะฮะ้นดึงอาสวะออกวิชาก็เลิกไปดึงอาสวะเรีกวิชาออกอาสวะก็หายไปนะแต่ว่าอวิชานี่ทําให้เกิดสังขารอันนี้คือความคิดปรุงแต่งภาษาอังกฤษมันจะง่ายว่า impulse เป็น mental impulse หรือ thought conditioning ก็ไดมันปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งจิตเพราะว่าเรามี impulse อวิชาระความโลภสมมติอยากจะได้ ของเท้าผู้นั้นนะนะมันมีสังขารปรุงแต่งแล้วนะแล้วก็เกิดวิญญาณมันไปย้อมวิญญาณมโนวิญญาณอย่างนี้ไม่ใช่วิญญาณหกเลยอันนี้คือตัวนาแหลมะมโนวิญญาณมีทางโควิดเขียนแนะไว้เลยว่าคือมโนวิญญาณแล้วมาเกิดนามรูปต่อมานามคือมันมันเทนมันอะพอเกิดอินพาวส์ด้วยความโลภกวนหลง มันไปยอมจิตจิตตัวนี้มันก็ไม่พองใสแล้วเพราะมันเกิดความอยากขึ้นมาอย่ก็ได้รองเท้าคู่เนี้ยสมมตินะ ห, หรือว่าเสื้อตัวนี้อเกิดนา ม, มารูปตัวนี้ไม่ใช่นามและรูปเลยนะแล้วไม่ใช่รูปแย่หนาเราต้องอ่านว่านา ม, มารูปเพราะว่าทําไมมันเป็นซิงคูล่าไม่ใช่พรูโรไม่ใช่นามและรูปเปนซิงคูล่าเป็นคําขยายความของรูปของใจนามแปลไทยนามคืออะไรใจใช่ไหม คุณชื่อนามคุณชื่ออะไรนามเป็นอ่าอ่าผมชิดคงศัตว์คงศัตว์นี่มันเป็นเรื่องของใจในชะ่ไหมชื่อชื่อลอยลอยอะ่ะมันเป็นนี่เป็นยังไงหน้าตาคงศัตว์ก็ชี้มาที่คือพวน้าตายียจิตใจเขาเป็นอย่างงี้อะไรเนี้ยแต่คนหมายถึงนามในนี้นี่คือหมายนะรูปในนี้ก็รูปก็คือรูปอะภาพก็แปลตามตัวนามถ้าเป็นใจก็เป็นมโนรูปก็คือภาพ แปลรวมกเป็นอะไรบ้างจ้ะามโนภาพ imagination หรือ Self-image ม r โทรกรเพราะไม่กมากเราไปเทนมันด้วยสังขารตามตามความหลงของเราันเกิดเซลล์อิมเมจโทําทำไมเป็นอย่างนั้น่ะครั้งหนึ่งผมเคยพาจางโควิดเนี่ยที่เป็นคาราว่าที่รู้ทำไปไปดูที่มิวเซียมนั่นะเป็นจบมันนัศสินมาจากกรมศิลป์ดินยาตรีแล้วก็ดูเสร็จ ต่างคนก็แยากดูแล้วแล้วก็สุดท้ายก็มันก็ตามมาเจอกันแล้วก็อาจารย์กำลังดูรูปของแวงโก๊ะอยู่ในรูปอันนี้อะไรนะสไตล์นายบอกอาจารย์เห็นยังไงแล้วก็อยากดูเห็นอยากก็กความคิดเขาเป็นยังไงแล้วก็ว่ารลูกเนี่ยพอดีว่าออกมาก็จะไปทางข้าวกันพอมาโอ้โหฝนตกหนักอย่างเมื่อวานเนี่ยไปไหนไม่ได้แต่มันที่ใกล้สุดก็คือที่ซู ดั world, ง, ง, ง, งนั้นมี living world อ่าเข้าทางทางูงเนี้ยไอทางทางไอ art museum ไอตึกใหม่ๆทาง southen parking ยังไงเนียคือ northen parking จำไม่ได้แล้วอ่าก็เข้าไปตรงนี้มีร้านอาหารไปทานอันนี้ก็แล้วกันก็ไปไกลก็ลำบากคนตกนนะเข้าไปพอทานเสร็จก็ามาดูไปเขามี exhibition living world สำหรับสหรับเด็กเด็กๆมี มีแพลนแล้วก็ทําดูไอ้ต้องจุลทัศน์ไม่อาม่าเรียกอะไรอ่าอีโคโซิสเต็มต่างๆะแล้วก็มีพวกกระดูกไดโนเสาร์บ้างอะไรไหอันแรกขรออัอาจารย์มานี่มาดูนี้คือมันเป็นเป็ น, ปนภาพโฮโลแปร์ลอยขึ้นมาเนี่ยมองข้างหน้าเียเป็นคนธรรมดาโฮโมเซเปียมองข้างซ้ายนี่เป็นเนียนจตามองข้างขวาเป็นพวกโฮโม อ, อีเล็กเตสอาจารย์ดูนี้ ก็คว้าไ้ที่มันลอยอย่างเี้ยเห็นไหม่าอาจารย์ไม่มีนะนี่แล้วครับอัตราครับต่อผมงเลยโอ้ถูกจุดมากเลยก็แกกลับมาคืนนั้นท่านสอนกรรมฐานวันเสาร์ก็เรียกอะไรนะคุณหมอโฮโลกรมมันก็บัญญัติเลยเซลล์อิมเมจโฮโลกรมคือตัวนี้แหละนามรูปมโนภาพที่เราสร้างสมมุติว่าคิดว่าพรุ่งนี้จะไปร้าน Man ินเฮาส์ใช่ไม เนีตัวเราไปนั่งอยู่แล้วนะหรือว่ากำลังขับรถรบเข<อ>้าไปเนีมีเราอยู่อย่างงี้วนั่นแหละนามารูปเห็นแล้ยนามารูปไปแล้วใช่อันเดียวกันอันนี้ก็คงไมเกี่ยวจริแต่มันจริงคือมโนภาพนั่นแหละคือแปลมาถ้าแปลตามตัวนี่มันชัดเจนเลยนามก็คือมโนใจใช่ไหมที่เหมาเนี่ยนะ ด, ดังเขาบอกสมมตินักงวยข่ายเนี้ยก็ต้องมีไหว้ครูใช่ไหมหรือว่าพวก คาราเต้ก็จะมีไหว้คาตาต่างๆคาตาคือท่ามวยเขาบอกคุณมาจากค่ายไหนอใช่นี่ครับชื่อนี้เขาสอนยังไงอันนี้เขาก็ลงไปแสดงลำมวยเขารู้เลยนี่ค่ายดีอ๋อเป็นลูกศิษย์ไอโอนนอตมันสอนนี่เพราะมันท่าเดียวกันอ่ะคือหน้าหนึ่งคือนามนามลักษณะฟอร์มไงเนี่ฟอร์มโชว์ฟอร์มมันไว้แบบนี้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็น imagination คือแสดงให้ดูสาธิตรีเฟกตอร์้ก็เป็นนามารูปอันนั้นเป็นทั้งทั้งอันเลยโชว์ของมันจะเป็นฟอร์มของรูปที่เขาเรียนมาอย่างาเงี้ยนามารูเนะ่ยเป็นซิงเกิลจำมันนี่แล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าไปอ่านปฏิธโสมบาก็าจะแปลเป็นนามและรูปแต่ไม่มีใครกล้ากลับว่ารูปนามไม่มีต้องนามรูปตลอดแต่เขาจะอ่านบางทีก็จะไปอ่านเป็นเป็นบทอย่างเช่นเช่นใน กุตยานธรรมเนี่ยบางทีก็อาจเป็นนามและรูปที่จริงต้องอ่านว่านามมารูปคือเป็นคําสมาบคือขยายความรูปของจิตอรูปของจิตก็คือมโนภาพเข้าใจนะฮะสมมติอพระท่านเนี่ยได้ยินอบอกว่าเนี่ยก็มีลูกศิษย์เต็มของจางคันชิดก็มีลูกศิษย์เรียนอยู่เห็นโยมเห็นมะม่วงไหมโยมคิดยังไง แต่ละคนคิดต่างกั น, นอั น, นี่บอกอยาไปกินค้านยอมอั น, นี้มมันมุ่งน้ำเป้าหวางคิดต่างกันนั่นคือนามารูปแล้วล่ะเขาได้ช่วยแม่ที่ไ่นอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีถัดไปเนี่ยมันก็ไปมันก็ไปย้อมย้อมไอ่อายตนะทั้งหกทั่วใหญ่เราก็รับจีรพผัสสะอันนี้ก็ยกมาทั้งหกให้อยู่ให้รู้ตาหูจมูกเลนกายใจใจด้วยนะ มันก็ยอมใจได้ด้วยตัวมันยอมตัวมันเองถ้าเกิดภาษะภาษะก็าอย่างแม่ชาพูดว่าตาก็เห็นรูปใช่ไหหูได้ยินเสียงต้อง specific ออกันด้วยนี่จะไปของมันแล้วก็ต้องเกิด conscious อันเดียวกันนะฮะภษะเกิดเวทนาอนะอันนี้เข้าใจนะฮะเป็นกระทบ contact แล้วก็ feeling เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหย่อนธรรมดานี้ ยังไม่มีไม่ใช่ว่า Emotional Feeling ไม่ใช่อันนั้นเลยแล้วแล้วลเขาข้ามมาที่ตัณหาเลยตัณหาแล้วก็คือเครวิ่งล่ะอุปาทานเครวิงอย่างที่ยกให้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยก่อนจะเกิดตัณหาเนี่ยมันจะมีที่บอกว่าอายตนาหกนะเกิดวิญญาณทัะเกิดเวทนานะเกิดสัญญานี่ไม่เข้าไม่พูดเลย สัญญาสัญญเจตนาไม่พูดก็ถึงจะตัณหานี่นี่ก็ดรอปไปสองตัวคือรายละเอียดไม่เว้นไปก็เวทนาเป็นเห่นให้เกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปาทานคือว่าคลึงไปละเราคลึงเฉพาะคันห้าเดียเฉพาะตัวเราเนี่ยมันก็เกิดพบพบในนี่คือว่าสภาวะที่เราไปเกิดก็คือความคิดเราเนี่ยเราเกิดไปในความคิดแล้วพรุ่งนี้จะไปแมนดารินเฮ้าส์นะพี่ ความคิดผมพบไปเกิดแล้วไปหลอกกินอยูแล้วชาติเลยราคิดอยู่ในความคิดแล้วก็ชาามรณะสำหรับชาล่านี่ในที่นี้หมายความว่าความง่อมนะชาลาคํามงอมรับได้ไหมความง่อมของจิตความคิดมันง่อมมันงอมอ่ะเป็น ง, อ ม, งอมคือคิดจะดนเปื่อแล้วไม่ไหวงอมแล้วก็อย่ามาพูดเรื่องไอ้คนนี้เลยฉันเปื่อ นหนนก็แย่แล้วที่มันต้องคิดเรื่องอะไรของบาทานันแล้วก็ชามรณะความคิดมันตายไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่หวังเสื้อตัวนี้ที่หวังไหมใครไม่รู้มาแย่งซื้อโศกะเสียใจบริเทวะทุกทุกไม่ได้แหมจองไว้เลยข อ, อท้ากูนี่แผลแบบนี้หันไปอา้าวไอ้ที่เซลลมันหายไปแล้วเหได้รูปไป ปลายาส <c> พ <oughs> ี่ไรลลาพันธุ์เนี่ยแล้วก็พอทุกไปแล้จบไปคิดใหม่เอาคู่ใหม่ก็ได้วะ <c oughs> วก็เป็นอย่างเงี้ยวงจรแต่มันเร็วมากมันก็เกิดต่อนเนื่องกันไป <c oughs> เรื่องเดียวกันเนี่ยเดี๋ย ว, วาหาคู่ใหม่ก็ได้ <c oughs> แล้วเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นวงจรความคิดแค่เล็กจุลภพจริงๆแล้วเนี่ปฏิรูปใม่อธิบายอันนี้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีประเพณีของพราหม์เข้ามาเยอะ พระเาลุ้นหลังก็มันก็แทรกเข้ามาในพระใจบิดโดดเป็นว่าเป็นข้ามพบข้ามชาติแต่กรรมต่ออะไรเงี้ยไปเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นภพเป็นแก่ตายไปเลยนะฉลาดมรณะนิดเดียวแต่อย่างเช่นเดียวกับคําว่าสังขารเนี่ยมันอาจจะเป็นจิตก็ได้เขาก็บอกเออนี่มันสังขารร่วงโรยหนอกลายไปอย่างนั้นไปจริงสังขารมันก็ความคิดมันก็งอมมันก็ตายไปมัก็หมดไปมันก็มันก็ตายเป็นมไปเกิน เร ว, ว่าด้วยนะสรุปแล้วทั้งหมดนี้เป็นกันเรเลือกิจนะอย่างสลายยตนะนี่ก็ตรงนี้นก็บอกอะ ย, ยตนะ6ที่เราพูดกันแม่ชามันจะต้องมีคขา responding เนะี่ธาตุสิบปอ่านะตาก็เห็นหูอ้ตาก็เห็นรูปนะต้องักลงนะ คำบรร ด, ดาสัญญาวิปะละเขาเรียกสัญญาวิปะละโอเคทำไ ม, ไมเป็นสัญญาวิปป ะ, ะไดไ้ยังไม่บ้าแต่ว่าเกิดเจอย <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ก็เอมีอายตนาหกอายตนาหกก็เป็นกับระศาสตรเนี่ยเป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นง่าย <c oughs> หรือว่าดูดูสังขารเนี่ยก็ ค, คือความคิดเนี่ยหลวงปู่ดูลงบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ต้องหยุดคิดให้ได้ดดถึงจะ ไ, ได้รู้แต่ก็ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละถึงรู้กูแล้วงงเลยไม่รู้เรื่องเลยเ ค, <c oughs> คือว่าคิดตามทีละสติแล้วก็เข้าใจอ่าคือถ้าคิดเท่าไหร่เนี่ยยิ่งคิดมายิ่งทุกขนะ์ไงเพราะว่า <c oughs> มันไม่ได้อย่างที่หรือว่าเราต้องการให้มันอย่างนี้มันไม่เป็นถ้าหยุดคิดได้มันก็เออหายทุกข์หายกลุ้มไปแต่มันก็ช่วขณะนะแต่ว่าแต่ก็ต้องอาศัยความคิดเพราะว่าเราตั้งสมาธินะทำสมาธิ ก็คมใจเราแล้วไม่คิดแล้วมันก็หยุดไปนะก็เดี๋ยวมันพุบขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยความคิดเพราะมันเห็นเป็นเฮอร์เดลโผล่มาปุ๊บปุ๊ปถ้าไม่มีเฮอร์เดลโอ้จิตฉันสงบเรียบสบายดีไม่มีทุกข์ไม่จริงก็เดี๋ยวไกลมาแย่กระทุมเนี้ยแต่ไม่เห็นถ้าเห็นก็ดีตรงนี้ก็ต้องอาศัยความคิดถึงจะรู้คือตรงเนี้ยที่มันมันรับขึ้นมาเนี่ย ผมพูดถึงเพาะวทิ้งทิ้งท้ายไปไงต้องต้องอาศัยความคิดไม่ใช่ต้องอาศัยคิดจึงจะรู้ต้องอาศัยความคิดเห็นตัวมันแวบเข้ามาคือไม่ต้องเข้ามาแต่ไม่เข้าไปในความคิดเนี่ยพอเข้าใจนะเพราะว่ามันมันค่อนจะคอมเพล็กซตรงนี้แต่รู้ว่าคิดแต่ไม่รู้เรื่องใช่ตรงรู้ว่ากําลังคิดไม่ใช่ไม่ใช่คือเห็นความคิดแต่ไม่เข้าไปในความคิดเห็นแต่อย่าไปเข้าไปเป็นเสร็จพอมือ อ่ใเช่นเช่นอ่อที่บอกว่าไอ้ลูกน้องเนี่ยมันมันมันแต่ก่อนเรื่องนี่แหละหรือลูกเราหรือว่าหลานเราทําอะไรเลยหรือว่าอพือ่อไอคนน้คนนั้นคนนี้เนี่ยมันชอบมาเกลีย์แรงเนี่ยนะเราก็เราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยบางทีมันบางทีเราก็อนึกถึงหรือเข้ามาพูดถึงเราก็เครียดขึาา้นมาทันทีไอคนเนี้ยทำให้เราเดียดร้อ ความคิดทำให้เราเดือดร้อนแฝบขึ้นมาแต่เราก็บอกเอยเรารู้วิธีแก้แล้วเราจะทําไง <c oughs> เรารู้วิธีแก้แล้วเราสั่งว่าเราหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามยู่ต้องเลิกทำอันนี้นะไม่นะั้นอาจจะตัดเงินเดือนอยู่นะหรือจะหักอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าทําอย่างนี้มาม่าอาจจะไล่อยู่ออกบอกว่าเฉันสั่งทําแก้ไขไวหมดแล้วเรารู้หมดแล้วรู้ทันความคิดแล้วเข้ามาแย่งนะเราก็รู้ทันแล้วคือเราไมา่ไม่กระโดดเข้าไปแต่เมื่อเราเราเห็นความคิดอยากได้ของเท้าหรือเสื้อกู่เนี้ยมันแว บ, บเข้ามา เราก็แค่รู้นะไม่เข้าไปเดี๋ยววิ่งไปซื้อกลับบ้านกลับมาแล้วล่ะตามตามเรากลับมานี่ก็แย่แหละแต่เรารู้ว่าเรามีอยู่สิบคู่แล้วที่บ้านาาาอันนั้นเข้าไปอยู่ในความคิดแล้วถึงกับตารองเท้าก็ตามเรากลับมาบ้านาชอบแล้วไม่ได้ซื้อเราก็จบทุามมากกลับถึงทุกต้องบอกว่าคงไม่ทุกเรามีอีกตั้งสิคู่ที่บ้านยังไม่ได้ใส่ครบเลยคือ <laughs> อซื้อเพื่อย่างไม่ชอบนะฮะเราคงไปได้ซื้อ มันมีหลายคู่เลยแต่พอไปนอนคิดพวกนี้กลับไปซื้อใหม่แต่ไปถึงใครออนนี้ก็ทุกแล้วแต่ว่าก็ต้องปล่อยวางไปบอกว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีอีกสิบคู่ก็ไม่ต้องไแต่ั้มานะคะพอชอบอะไรจะซื้อเดียวหลายคู่เลยกันนะคะือให้ไปจีใจไ อัะเจ็ดสิบเขาแบบปิเวนตีคเขาเรียกว่าปเวนตีไม่แต่แต่ถ้าพี่ตุ๋นเข้าแล้วเขาอยากโลกอะไรค่ะหมอซึ่งเล่าชวยอีกว่ซึ่งไม่ตันเลยจะไม่อยากได้อะไรเรียกตันหาพี่ตันหาตันหาด้วยถื เขาเรียกภาวะเขาเรียกว่าภาวะตัหาแล้วก็วิพไปโดนวิพาตันหามาเล่นงานก็เลยต้องเกิดภาวะตันหาจองไว้เลยเก็ดการมาตันหาอยางอยากได้แก้ได้โดยเข้าใจคือเขาบอกว่าตันหานี่คืออะไรคือเหตุแห่งทุกข์คือข้อหนึ่งข้อหนึ่งคือทุกทุกนี่ท่านไม่ได้ว่าให้ให้ให้ให้ตัดมันนะทุกให้รู้ c o m p r e h e n มัน ตันหานี่จะต้องละจะต้องตัดฆ่าตัวตันหานนคือว่าจะเห็นมันได้ก็ต้องค่าความคิดเพราะมันซ่อนมานกับความคิด practical point คือเขาไม่ได้บอ ก, อกแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาคือถ้าชอบอะไรแล้วไม่ซื้ อ, อยันเดียวต้องซื้อไว้สองสอันเพราะว่าเือว <laughs> <laughs> ่าเว็นสิบค่า่าแค่นั้นมันแสดงว่าความคิดเราเกิดความโลภ เขาเป็นเขาเป็นท่าความคิดไปแล้วไม่ความไม่แน่ใจไม่มีคอนซูเดนต์มัมีคือตัญหามันมีสามอย่างการมาั้งหมีทไม่กมดีกามาตัญหามีที่จไม่เก่งไมดีมันไม่ได้คือซื้อไวก่อนเลยอันดีไซน์สิคอนเซลเอาไว้ก่อนเลยเพราะเพราะเขาเาไปโดนไปความเกิดจากความเจ็บปวดของวิภาวะตัญหามาแล้วคือว่ามันโดนเจ็บปวดเระนก็เลย ก็มันเบสอังการมาตัญหาที่ชอบของวพวกเดียใช่ไหมตัวก็จะไม่ซื้อของที่มันไม่น่ารักไม่สวยไม่งามใช่ไหมซื้อแต่เพราะที่ชอบใจใช่มการมาตัญหา<ช>ทานี้ ไ, <ด>ไปโดนไม่พอตัญหามันเตือนก็เลยต้างภาวะตัญหาไว้ก่อนเอาเยอะ สีที่เขเป็นหมดเลยต้งสาคู่ซื้อไปทำไมอ่ะมันถึงเกิดแซมกับคอสโก้ไหมครับใช่ได้แล้ว่าได้ราคาถูก้ใช่มันลละข้าพี่คือตากอยู่รงนี้นี่คือตากบอนี่อยู่แนสตากของแซมพ่จะบอกว่าเนื้อมันออนคนคนนี้มีสติแต่ไม่มีสัมปัสชัญนาเขามีสตังค์ครับ ก็มีซื้ออีกโอเคมีการคำถามอันนี้อันนี้เมื่อกี้พูดว่าทุกนี่ให้กำหนดรู้นะไม่ได้ให้ละเพราะฉะนั้นคนพยายามจะตัดตัดทุกมันหนีทุกไม่ได้อะคือมีมีพระสูตรหนึ่งว่าบอกพระธาตัดว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยโดนยิงด้วยสอนลูกแรก เราโยนโดนยิงด้วยสอนลูกที่สองพระอริยะเนี่ยก็โดนยิงด้วยสอนลูกแรกแล้วยังโดนยิงด้วยสอนลูกที่สองเลยนะบัตมิสแต่พลาดไปไม่ใช่ไหมคือคือท่านไม่อาจหนีทุกกายอความแก่ความชราความตายคือซอนลูกแรกเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่ลูกที่สองนี่ท่านพลาดท่านไปเพราะว่าท่านไม่ไปติดกับไอ้ทุกข์เพราะความคิดเนี่ย ก็เหมือนพระสูตรมาอาชาในคือปล่อยมันวิ่งจะมันเลนื่อยมีสาประเภทบางคนสอนได้บางคนสอนไม่ได้ใช่แต่อันนี้อันนี้มันตรงกว่าอันนี้ตัว uh huh. คือว่ามันเหตุทางกายและทางใจ uh huh. แต่พระอริยะเนี่ยจะรู้รู้ว่ายอมรับทุกกายเพราะฉะนั้นทุกจะไปไปตัดมันไม่ได้หมดหมดสิ้นอะ่ะแต่สามารถที่ว่าไม่ติดมันได้คือว่าไปตัดที่เหตุคือความคิด่ย ข้อที่สองคือสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์คือตัดหาเนี่ยถ้าตัดตรงนี้ตรงนี้ท่านบอกให้ละคือตัดตรงนั้นอ่ะตุยก็ต้องตัดไอ้ความความอยากอยากได้หรือว่าความเสียใจที่ไม่ได้อ่ะต้องตัดตรงนั้นอ่ะแต่แต่ว่าถ้าจะเป็นนะคะแต่ว่าไม่นานนะคะเพราะซื้อมาแล้วมันก็หายอ่ะไม่ใช่ต้องไปซื้อใหม่ไม่มีแล้นะคะแต่ก็ไม่ได้เสียได้มากแต่ก็ไม่มีไม่ขึ้นโลเหลังเป็นหลังอย่าง ไปชดเ ช, ดชยอดไอย่างอื่นอเนี้ยแล้วก็มักต้องเจริญนิโรธทำให้แจ่มก็มีมีการทำแต่ละอันเพรานนิโรธเมื่อกี้เราก็มักพยายามเดินพยายามสร้างจังหวะเพื่อจะให้เกิดสติสัมปชัญญะมีด้วยความเพียรเพื่อจะได้เห็นความคิดรู้เท่าทันจิตใจเรานะ แล้วก็มันจะถึงท well. ี่สุดวันหนึ่งเนี่ยเพราะถ้าคามีความพื้นที่ไหาถ้าไม่ได้ก็ไม่แบบเขาก็ต่อช cin SA ั้นหน้าได้อีกก็มีพื้นมีพื้นแต่ว่าบางคนเขาบอกเขาบางคนเขาาไม่นั่นเนี่ยเขาบอกเขาไม่มีทุกข์ว่บอกคนที่ไปกรรมฐานเนี่ยมันทุกข์ก็อินปลายแต่เขาไม่มีทุกข์ ก็ไม่ต้องไปเพราะสนมากคนทั่วๆไปจะมองว่าคนที่สนใจธรรมะเนี่ยเป็นพวกมีทุกข์เพราะเขาเห็นทุกข์ไงเห็นธรรมแล้วก็เห็นด้วยเพราะว่าอย่างน้อยได้เห็นทุกข์ตั้งแต่อายุลูกเกิดมาว่าโอเคไหมนะเราเริ่มเราเริ่มที่จะแบบโอ้โหนี่มันทุกข์นะเราเริ่มที่จะเข้าใจว่าโอเคทุกข์มันก็เป็นแบบนี้นี่เองทุกข์มันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาวะธรรมของธรรมชาติที่ว่าเราก็ต้องยอมรับใช่ไหมใช่เราก็แก้ไขไว้ตามเรื่อง แต่ว่าไม่ใช่ไปไปงมงายกับมันไม่ไปติดกับมันแต่อย่มันนี้ครับมส่วนมากเลยนะเพื่อนหลายที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาจะบอกว่าหนึ่งช่างเกิดมาช่างก็มีความรู้สองมีเงินพอสมควรที่อยู่ได้อันที่สามว่าใครใกล้เจ็บก็ไม่มีมีความสุขไม่เคยมีความทุกข์ไม่เคยเห็นความทุกข์ทำไมจะต้องมาปฏิบัติธรรมเออได้ยินแล้วเขาก็บอกว่าเาสวดมนต์อันนี้90้าอร์ซของเพื่อนรุ่นเดียวกัน มันก็เขามีทุกเขามีสุขระดับหนึ่งวันนึงเขาต้องเจอทุกข์คือทุกข์มันเขาเขเขาาเห็นว่าเป็นธรรมชาติท่านจะแก่ฉันตายให้มีเงินใช้ก็แฮปปี้อย่างนี้ก็ดีถ้าคุณคุณไม่ใจคุณไม่ต้องโดนดึงดูดด้วยเรื่องอื่นก็ก็ตายไปอย่างนั้นก็เรื่องของเขาเพราะก็มีธรรมะถึงจุดหนึ่งใช่ไหมแต่อย่างนั้นเรียกคนมีจังหวะเลยคะก็ก็อยู่กับธรรมชาติในในมุมนั้นแต่ว่าเขาไม่ไม่ได้รู้ไปถึงว่า เดชของทุกจะมีอะไรเนี่ยสมุทรไทยนี่รดมาคือไม่รู้ที่สุดของธรรมชาติเขารู้ธรรมชาติแต่ไม่รู้ที่สุดทธรรมครับแต่ถ้าคนแบบพี่ๆเขาพูดถึงถ้าวันนึงเขาเจอทุ ก, นกันนะถ้าเขาไม่เตรียมตัวกาจะตั้งใจไม่ตั้งตั้งตั้งตัวไม่ติดตั้งตัวไม่ติดจิตเรื่องสุดท้ายอันนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยอ่าเพราะคนคือฝรั่งมันก็มีไอเดียต่างกันแม้กระทั่งเซนเขาบอกไม่มีชาติหน้านะเซนบุตริซึมนะจบตรงนี้อ่า เพิ่งเพงเคได้ยินเนี้ยเพระเมื่อวันก่อนเมื่อวันอาทิตย์นี้คุยกับพระเซมบอกนลยพวกโฮลิสเอ่อฮิวแมนนิสติกยิวนี่ก็ไม่เชื่อพระเจ้าแล้วบางกลุ่มของยิวนี่ก็ไม่เชื่อชาตินาฮะไม่ไม่ได้ทั้งหมดก็คือเขาเขาเขารับแค่นั้นก็เรื่องของเขาเราจะไปชดมาให้ทั้งนี้ไม่ได้เราดึงไม่ได้คือเขาแฮปปี้อย่างนั้นก็เรื่องของเขาเขามีความสุขเขาไม่ทุกข์ก็ ชีวิตเขาสบายเขาถือว่านั่นคือความสุขกางวิชิติชาเราเราดูเวทนาลุบปัสนามีที่จริงๆท่านหมายถึงสุขภายในนะแต่ว่าเพื่อให้มันสัมพัท์กับคือมาออกมาข้างนอกข้างในสุขข้างในก็คือสุขทุกขหรือกลางๆสุขข้างนอกคือสบายไม่สบายเขารู้สึกสบายเขาเขาเอาความสบายนี่ไปความสุขเขามีเงินใช้เขามีชีวิตธรรมดาไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทางานแล้วแฮปปี้แฮปปี้เอนดิ้งเขาบอกเขจบแล้ว ถ้เรานวิซ่งจะนอนได้ยังไงที่มันเข้าใจผิดเพราะพอเป็นจิตเดิมสุดท้ายนี่ไม่เคยเทรนโดยเองนอไม่ได้แตเป็นเล่นเนี่ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเรียนเลยแล้วมันจะไปสู้กับอืเขาก็ไปตามกรรมของเขาเราจะบอกเขาได้ไง <laughs> แสดงว่าพี่เขาก็ทุกมากนะคะที่ว่าพยายามที่จะคอนวิซึ่งเมื่อก่อนน้อยเคยเป็นแบบนั้นองพี่หมออยากให้คนใกล้ตัวพ่อแม่พี่น้องเข้าใจแต่จริงๆแล้วด้ว่า ถ้าไม่ถึงเวลาตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยเราทําดีที่สุดแล้วเราก็ต้องปล่อยวางไปเพราะว่าไม่มีใครช่วยใครได้แคว่ามันเกินจ่ายตัวใครตัวมันรแม้กระทั่งคนที่เขาบอกก็มีโชคดีที่เกิดเจอพุทธศาสนาใช่แล้วกี่กี่กี่คนที่เป็นชาวพุทธเข้ามาปฏิบัติธรรมใช่แล้วจะเอาให้ถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยยิ่งน้อยเรไปเพราะบางทีไปปฏิบัติธรรมไปโซเชียลไลฟ์ที่เมืองไทยมีเยอะสำนักต่าง ผมว่าคนที่บอกว่าไม่มีทุกข์นะเขาไม่เข้าใจคำว่าทุกข์ถูกต้องเขาคิดถึงแต่ทุกเวทนาเขาไม่ถึงไม่รู้จักว่าทุกลักษณะเป็นยังไงทุกภาษาฝรั่งนี่ยเขาคือมันไม่มีคําแปลที่ถูกต้องของคำว่าทุกข์คือทุกเนี่ยฝรั่งก็แปลลําบากคือเขาส่วนใหญ่จะแปลทุกข์ทรมาที่มันผิดอะทุกข์ทรมานเนี่ยมันคล้ายๆว่าปวดโซลโอโยนี่มันแย่แล้วเกินจริงไม่ใช่อาจจะเป็น c o n f ลิกตก็ได้ imperfection ก็เลยของบุบๆเบียวๆเราไม่ชอบใจกับทุกข์นั้นอิเอันนั้นมันรุนแรงแล้วมันมีตั้งแต่คที่เขา เ, า, เ, า, เาแปลที่มันใกล้เคียงคือ This is is สอ is t h i ไฮฟ์เอนอีสดิสอีว่มามันมันมันไม่ปกติความผิดปกติว่างานนั้นดิแล้วก็มันใกล้ๆรูมเร้ารมเร้าว มันไม่ไม่ไม่สบายใจอะไรเงี้ยหรือคอน FLICT หรือว่าเป็น unsatisfactoryness ไม่ชอบซื้อมาแล้วของนี้ไม่ชอบเลยมหนดันไปซื้อทุกอย่างทุกอย่างซื้อไปแล้วก็บางคนก็ทำใจได้ไงจะจบไปแล้วแต่ลึกๆเราก็เสียดายใช่ไหมถราก็เราจะอย่างนั้นทุกคนเกิดมามันก็ต้องมีอย่างเงี้ยก็มีทุกอย่ จังหวะไม่ว่าทุกไม่ว่าสุขไม่ว่ามันตัวเขาีมลิศสยามอยางได้มันเป็นนอร์มัลซึ่งปกติอะฮะซึ่งมานเป็นเรื่องปกติเลยแล้วทไมต้องเรียนนะก็พระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านเเห็นสาเหตุที่เกิดพุทธศาสนาเป็นตัวทุกเนี่ยถ้าทุกท่านทุกเพราะอะไรทุกเพราะอะไรท่านออกไปโดนเก็บไว้ในวังนะสี่สามฤดูนะฤดูร้อูฤดูฝนฤดูหนาว แล้วพอพอออกไปได้อนุญาตให้ออกไปกับนายชันนะไปเจอเทวทูตสี่ที่เราเคยเรียนคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เจอสมณะเท่านล้นท่านบอกท่านถามชันนะเพ่อฉันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพ่อแม่ฉันจะเป็นอย่างนั้นหรอเตัวฉันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเปล่าตัวท่านอยู่สุดท้ายนะแล้วก็พอไปเจอเนี่ยคนแก่คนเจ็บก็อย่างเงี้ยชันนะ พ่อแม่ฉันจะเป็นอย่างนี้ปะ่ะจะแม่ตายไปแล้วแต่ว่าแม่แม่เลี <c oughs> ้ยงจ ะ, ะจะต้องชราต้องแก่อย่างงี้ปะ่ะไม่เคยเห็นเพราะเขาเปลี LEGO ่ยนเป็นคนรุ่นใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็พัญญาจะเป็นอย่างงี้ปะ่ะพนังพิมพาเป็นอย่างงี้แล้วตัวท่านจะเป็นอย่างงี้ตัวท่านอยู่สุดท้ายหมดเลยพอท่านบอกโอ้เป็นทุกคนอย่างเงี้ยต้องตายด้วยท่านบอกโอ้มันต้องต้องมีขาวต้องมีดําอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงสรรมณะเนี่ยเอ๊ะดูท่างสงบเนี่ย แต่ก็ไปหลงตั้งหกปีนะไปเป็นคล้ายๆเป็นทําแบบแบบพวกเนี้ยพวกพราหมะวิธีของพราหมะคล้ายๆว่าถ้ามันมีตัณหาก็บางทีเขาถึงขนาดตัดองค์าชาติเลยนะเพื่อจะได้ตัดตัณหาแต่ใจมันยังอยู่ไ อ, อยู่นุ๊กยิ้จิ้งตัวรลายเนี้ย <c oughs> โลมันเยอะนั่นก็หมายความว่าถ้าคนทุกข์แบบเล็กๆน้อยๆทั่วไปก็ไม่เป็นไรก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งที่ฮาแต่ว่าที่เขาพูดนี่หมายถึงคนที่ทุกข์มากเขาฆ่าตัวตายบ้าง ทำคือเปลี่ยนกลายเป็นเสียสติไปบ้างอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนเช่นนทุกข์ก็เขาโดนความคิดหลอกความคิดมันหลอกไปถึงไปถพระแล้วเขจะช่วยให้เข้าบรรลก็ช่วยได้แค่เขามีสติมันก็ไม่โดนความคิดหลอกไปถึงคือบางคนเนี้ยพระพระท่านบอกที่ท่านดูจิตได้ท่านบอกบอกคนนั้นเขาเพิ่งฆ่าตัวตายไปท่านเห็น วิญญาณเขาลอยมายัางร้องไห้อยู่ในลอยมาใกล้ๆเนี่ยร้องมาร้องไห้มาตลอดแสดงว่าจิตเขาเนี่ยถึงค่าตัวตายไปมันก็ไม่ได้หายทุกข์กแล้วมันยังไม่ได้ไปเกิดเลยมันก็วนเวียนอยู่สองนั้นอะมันเป็นสามประเวทซีไปแล้วก็เมืเห็นอย่างคนก็ชอบเห็นที่ยงว่าคนเนี้ยไปบวชชีเนี่ยก็เพราะว่าผิดหวังมั่งหวีมันเคยมีความ <c oughs> คิดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วล่ะ<ช>เดี๋ยวนี้หายแล้ว แต่เดี๋ยวนี้เห็นก็แม่ชีมีตั้งแต่เป็นระดับไปขอทานก็มีขายลอตเตอรี่ก็มีใช่ไหมเหมือนไทยมีทุกกระดับ่ก็แต่งขาวไม่ต้องเป็นแม่ชีกโอนหัวหน่อยแต่งชุดขาวเป็นไปเป็นแม่ชีโดยปริยายเออมต้องมีการบวชนมีชีบวชเก็ถือศีลแปดหรืบางคนถือศีลสิบเไม่รู้ทำวัดเย็นบวบววัดเย็นเขาบอกให้หม คูอะไรบ้างเออฮะเออเนียะ thank you ไปส่วนวัดเย็นเ้าเมื่อเช้าก็มีรูปูปาคือคือขันคือขันท่าเป็นทุกบางคนบอกทำไมขาดไปพาะยิงบอกได้แก่รูปูปาทานขันโตอุปทานในรูปเวทนูป่าทนใขันโถอุปทานในเวทนาสัญญาป่าทานในกันอุปทานในสัญญาสังขารูปปาทานในการตัวสุด อ่าเป็นอุปทานในขาไอสังขารแล้วก็วิญญาปาทานในขันโตุปารทานในวิญญาคือขันแต่ละขันถ้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์แล้วไม่ใช่เพราะว่าตัวทั้งหมดนะคือปุคละสุญญตาจริงๆมันมันว่ามันชื่อหลอกหลอกโครงสร้างนิรดาตาเป็นอย่างนี้นะที่จริงมันสมุดสมุดใช่แม้กระทั่งรูปเราเนี่ยอ่รูปแต่ละอันมันก็หลอกเราผมหงอกฟันหักอะไรเงี้ยปวดหัวมองไม่เห็น เรื่องใหญ่ใหญ่ชุก่านี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างของอุปทานเราไปยึดนะมันก็มีทั้งธรรมชาต้ธรัดเด่นแล้วถึงท่านยังบอกว่าสัพเพสังคาราทุกขาครับแต่สัพเพธรมมาอนัตตาฮะตามมาอแต่หลวงปู่มั่นจะบอกหลวงปู่โดนแบบสัพสัพสังคารสัพพสังคาราสัพพธรรมมาอนัตตา ทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาทั้งๆๆทั้งสังขารทั้งทั้งทำทั้งหมดเนี่ยอย่าไปยึดมั่นอยู่มันมันเป็นของที่ไม่มีตัวตนคือถ้าเห็นลึกขลงไปอีกหน่อยเรื่อีกข้นสูตรหนึ่งที่หม อ, อยพยายามทำความเข้าใว่าแม้กระทั่งคําเองถึงจุดจุดหนึ่งเราจะต้องปล่อยวางถงไปยองไปเครับว่าขึ้นฝั่งแล้วก็ต้องทิ้งเหลือทิ้งเหลือใช่ไหมค ะ, ะคือมันทางผ่านสติปัญญาสี่ก็ไม่ต้องไปยึดละคือทางผ <ๆ S 1> ่าน ก็ติดมันพางเองอนะ่ะมันมันกิจเจ็บถือแล้วมันวางแล้มันเองอันนี้อันนี้ขอเข้าใจนะคืออย่างนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็ใจรัก ท, ที่ที่จิตมันจะต้องเจริญปัญญาขึ้นมาเห็นจากการเห็นนี่ทําให้เกิดปัญญาที่เมื่อเช้าบอกเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่จบคือถือไปทะลุไปถึงไหนแนละ้วังฐานถึงอุปัฏทะจบไปแล้วนี่รเราเลยแล้วบางทีเนี่ยจะตอบปฏิบัติยี่สี่ หลังอันนี้บางทีเขาจะต่อด้วยศรัท ธ, ธาคือศรัท ธ, ธาเชื่อในเรามีทางออกเชื่อในปัญญาพุทธเจ้าที่ตัดสุขนะก็ปฏิบัติโดยธรรมสมาธิห้าเมื่อเชาทัใจให้ปลอดโ ป, ปร่งอาโมณ์มจะเกิดปีติจะเกิดปสัสสติเกิดสุขจิตเป็นสมาธิพอจิต เ, เป็นสมาธิแค่การที่มันเห็นใจรักเนี่ยมันจะเกิดยถาพูทญานทัศนะ คือเห็นความจริงเนี่ยจิตที่มันมีพลังมีปัญญามีพลังอยู่แล้วจากสมาธิมันจะเกิดปัญญาปัญญาแบบวิปัสนาญาณมันจะเห็นเห็นความเป็นจริงของขันธ์ห้าว่ามันมีนะมันเปลี่ยนเป็นทุกข์นะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นคือถึงมี้พระสวดว่าพระราหเวมันจะขันธ์าขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์หนอ อะไรผมจำไม่ได้พว่าปุกปุกคโลบุกคลผู้ยึดขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นแบนแบกของหนักไว้แต่สุดท้ายเนี่ยถ้าจิตมันเห็นแจ้งตรงนั้นมันจะปล่อยวางมันเบิดความเบื่อหน่ายเองอะเพราะว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นมันก็เป็นขั้นตอนมันไม่มีว่าปล่อยวางมันปล่อยเขาเองไม่ต้องไปบอกมันจิตมันฉลาดแล้วมันหายโง่เพราั้นหายโง่มันเห็นว่ามันเกิดจากความคิดทั้งหมดรุปแล้ว จไปก็มันมีสี่ขั้นสี่ขั้นเป็นเป็นอย่างนี้ไปเป็นขั้นอ่าเป็นขั้นตอนไปให้คนอื่นก็ถามืออก็เลถาม้ยจะเป็นคำถามที่คือแต่ก่อนนี่เคยเข้าใจว่าพบชาติเ็นดีกันแล้วก็พบีชาติตอนนีถ้า แล้วก็เคยเข้าใจว่าพบชาติอะไรคะมาอืมอาอเป็นอีกอีกชาตินึ่งชาติไเหรอถูกไหมคะอันนี้พบชาติอันนี้หมายถึงจุลภพความคิดความคิดแล้วก็ชาตินี่ก็การเกิดของความคิดอ่าแต่ไม่ได้หมายถึงแล้วเขาถล่มเข้ามาในเต็มตัวแล้วเข้ามาถล่มไปในเต็มตัวแล้วคือว่า ตั้งใจจะซื้อแล้วนะแล้วบนี้แล้วพอไม่ได้ก็ทุกข์ละตแรกก็ยังตัดสินใจอยู่ลังเลยแงเลยเลนี่ยนี้นกลังทุกข์อยู่มันเหมือนกรรมไมคะแต่สร้างชาตินี่ก็กเกิดจากเวทนาเกิดจากเวทนามันมันทกรรมใหม่ขึ้นมาก็เกิดจากเวทกรรมที่พระสูตรพบอกเลยพะพุเจ้าบอกกรรมเกิดจากเวทนาเพราะเราไปกระทบกับมันมาไปเห็นของสวยเนี่ยรองเท้าตูวนี้เสื้อตัวนี้อยากจะได้เนี่ยมันทุกข์แล้วนะ ตอนแรกก็ดูเฉยๆแ้าเป็นเกิดเวทนาเนี่ยเป็นสร้างกรรมละเกิดเกิดอุปทานเนี่ยเกิดบเกิดชาติพอได้มาก็จบกรรมนั้นสนองตอบสนองเรียบร้อยถ้าไม่ได้เนี่ยทุกข์ไปได้มาก็ต้องพวงว เ, เดี๋ยวจะมาขอฉัน <c oughs> คนนี้ขี้คอ <c oughs> แอบใส่สใหญ่หน่อยใส่สใหญ่สุดมาก ซื้อทุกไซเลยแต่ขอบเออทุกไซส์ตัวรอบขอบไม่ใช่ค่ะคือใจไม่เก่นะฮะบางทีก็ซื้อไปแจกเราใช้ไม่ได้ก็เพื่อนคีใช้ได้อบอ้มาเลยเพื่อนนี้ใช้ได้เพอนี้ใช้ได้แล้วเตรียมใบงานตลอดเลยนี่คุณเตยหกครึ่นะายากพี่ ก็ไปดูแผานากเด็กนี่โอ้ยเคยมีหาง่ามีทั่วไปคนส่วนมากจะขายเยอะอย่างนี้คนเขาไม่ซื้อเป็นไม่ใช่กหกเครื่องนีขายดีห่าาขายดีเป็นส่วนใหญ่คนจะใช้ประมาณ ถลองเทา้าฉัชอบนะต้องซื้อถ้าไม่ซื้อเสียมดยใช่ไ ห, ไ, ไหมรู้ภาษโทรแอคทีฟ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือภพชาติในที่นี้เป็นจุลภพสมมติเราเรากัางวลเกี่ยวกับญาติเราป่วยพ่อแม่เราป่วยลูกหลานเราป่วยแล้วก็ไปทำงานชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะทำกับข้าวปาดบ้านดูบ้า น, นทำงานางต่างๆเดี๋ยวมันแว บ, บมาล นหนึ่งหนึ่งจุลพไปแล้วนะเราไม่รู้ด้วยบางทีมันติดอยู่ตั้งนานพอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะไปเยี่ยมอยู่แล้วพอเดีทําทั้งบไ ป, ไปแล้วสองแล้วนะบางทีสามสี่หนไม่เห็นอ่ะมันครุกทุกตลอดเลยถ้ า, ถาเราแวบถ้าเรารู้ทันสติทันมันก็โอ้ย ค, คิดเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะไปเยี่ยมอยู่แล้วขออนุญาตเร า, าอ่าใชคือมีหลานคนเดียว คอมานอ้โรู้สึกรักมากรักมากท่นนองกมากอยากเขมากเชื่อไหไปมีแบบล่วยี่นะะกลับมาที่นอนไม่หลัะเป็นเรือม้านก็สมงั้นมตกก็ได้นี่นะเสงขนาดจะหลุดอย่างนี้นอนม่หลับลยอันนี้อันจะหายแล้วกันฝรั่งเป็นเยอะหรังนี่มันไม่รู้ไง เันบอกเขาไม่บาดไปเซนด้วยทุกเขาบอกไอคุณสลิปส e นสลิปแล้วแม่แต่ว่าเราก็เราอยู oh, you need turn your off. Uh ่นี่ตุ้ยเทอร์ u ยู่คอมพิวเตอร์ออาบอกะไรกันางว่าวอซอนอยู่ไมาอ๋อไม่แกรนด g ดอเตอร์ชีกัดแคนเซอร์เบสแคนเซอรเงี้ยเรารู้เลยเนะีย uh huh. เรารู้มันต้องมีเหตุมันในข้นอนไม่ล่ะนะอันน uh ี้ไม่ได้เป็นห่วงมันเจ็บแค่ในส่วน เข้าใจก็เนี่ยมันพอๆกับสิริศักดิ์สันเลยนะที่สิริศักดิ์มาละสองรอบนี่คือของของเราไม่ใช่ของเราเลยใช่ไหมใช่เขาไปยุ่งกับมากๆเนี่ยแม่เขาอาจจะไม่ชอบนะชอบแม่ตัวแม่เลยชฉเลย เออก็โชบดีวิ่งเลยเออยิ่งเออย่างนี้ยิ่งยิ่งมีอะไรแหละความฝูกพันมากขึ้นอุปทานยิ่งเยอะเลยอ่าก็ตัดใจได้ดีมันอยู่ที่ตัดใจนะสติมันวางบางทีมันหนักมากทำอะไรแล้วไหมผลวงพ่อเจนเบอกว่าวางมันความความมือ ถือไม่ก็ทั้งแบงค์ร้อยถือนานๆก็เมื่อยนะก็าวเเปลี่ยนเป็นเช็คแทนถ้าเห็นใจเราเห็นใจว่ามันความคิดเนี่ยมันก็สบายขึ้นแล้วเรารู้ว่ามันเกิดจากความคิดเรา เือกอันนี้ที่เมื่อกี้พูดนะฮะ ข, ขออนุญาตจะจบแล้วเพรว่ามันมีขันห้าอย่านี้ก็จะให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันมีขันก็มีเวทนารูปก็มันก็มาจากอตอจาย์ยศะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ สัญญาก็คือเอเปอร์เซพชันเนี่ยที่เปมีคอนแทคฟีลลิ่งที่เขารับไปเนี่ยคือสัญญาสัญญเจตนาอยู่ในนั้นแล้วก็วิญญาณก็คือจิตทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของจิตนะฮะองค์จางของจิต<ส>ก็เป็นเนี่ยอะไรก็จุลหภพหรือวัตจัก ร, ก ร, ร, รเป็นกลงกำมกกวีของความคิดชีวิตจิตใจเราอยู่ในนี้ยกับวิธีออกก็คือสติปัฏฐานสี่คือตัวนสือที่พิมพ์ต่างๆกันก็เป็นแต่และัวเรื่องแต่มันอยู่ในเรื่องเดียวกัน เนื่องจากจริตต่า ง, งกับพระพุทธเจ้าถึงสอนแปดหมืนสี่พันวรรมกันแต่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าหมดเั้นคือมีาาพระสาวกบ้างอะไรมาขยายความก็ mm hmm. <อ>คิดว่าวน่าจะเข้าใจนะอันนี้น ค, รครับพาริยะนี่คอที่เป็พระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างไรเราจะใสาริยานุคนใช่ครับภาริย์เอ ไ ม, ไม่ไม่เป็นเป็ น, ปนคาราว่าแต่ว่าคล้ายว่าเป็ น, นปะะก็จัดชาติก่อนเนี่ยคือท่านมีเพื่อนมีเพื่อนหกคนเนี่ยแล้วก็ไป ป, ปฏิบัติธรรมนะที่เก็บไปเลยก็ได้อันนี้ก็สัญญาครับว่าจะจะจ ะ, จะปฏิบัติให้ถึงที่สุดก็ทั้งหมดไปที่เขาลูกหนึ่งแล้วก็เอากระดต่อขึ้นไปนบนยอดขอเขานะแล้วก็ผักกระดเลย ทุกคนก็อยู่คนนั้นน่ะไม่ไปบินจักบาดไม่ตังสิ้นน่ะยอมตายสู้ตายบรากว่าก็ตายไหลายคนไม่ไม่บรรลุคนนึงบรรลุไม่จำไม่ได้แต่ว่าคนหนึงเนี่ยรู้สึกคนหรือสองคนน่ะบรรลุอรหันต์คนหนึ่งเป็นอนาคามีที่มาเตือนเพื่อนเนี่ยแล้วที่เหลือรู้สึกไม่บรรลุว่าท่านภายะพายะนี่เป็นหนึ่งในนั้นแล้วอีกคนคือพระเจ้ากุกุสันโธ ที่เป็นเพื่อนของพระเจ้าพุทพิสารอ้นั้นก็คล้ายๆกันที่เพราะว่าไปเจอพระเจ้าในลงนะพราะพระเจ้าพุทธิสารส่งสารไปคงใส่ไปในใบทองคําเพราะว่าใบรานมันก็ยังไม่พ่อยคืจานลึกไปภาษามีประตาเขตแล้วเนี่ยแต่พอจานไปเนี่ยอยู่เมืองตากศิลาก็เปิดพระเจ้าเกิดแล้วสละบัลลังก์เลยนะบวชบวชด้วยตัวเองเนี่ยถวายพระเจ้าแล้วก็ไปหาพระเจ้าทางทางอีสมาทางตากศิลาก็คือ อาลังคบัตปัจจุบันในปากีสถานเนี่ยก็ลงมาลงผ่านมาถึงเจ้าจะมาหาที่ที่เมืองอะไรสาวทีอ่ะระว่างทาววิญญาไปดักรอแล้วไปที่ลงนาไปเจอวิญญาณลงนาแล้วก็ก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ท, ทันทีเหมืนกันนะท่านาก็เห็นนะคนนี้ค้าวคนนี้ก็ตั้งใจดีนะจนท่านก็นั่งสมาธิด้วยสุดท้ายท่านก็ชวนคุยก็ปฏิบัตินให้ก็จํา ทางในอะไรบอกท่านท่านบวชถวายพระสุจ้าพระยากรเทศเรื่องเรื่องธาตุสี่อะไรเงี้ยหรือธาตุหกดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยพระจบขถฐานเนี่ยท่านเป็นอนาคามีตระวนี่คือพระสุตจ้าผมไม่ไกบบู้าก็เป็นหนึ่งในในหหรือหนึ่งในห้าที่ตา ย, ยในคาเนี่ยแต่ไม่บรรลุแต่แต่ก็กรรม ตามเดิมมันมีไ่ก็มีพระลังคือถามถามพระพระลังเลยบอกเอ้พ e, ุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องยากนะท่า น, นปาไปยะาเลยเป็นตัวอย่างอีกอันนึ่งคือพระเนี่ยก็ท่านบอกโอ้ oh, มันบาลีมีเก่าอะไรเงี้ยคือเป็นวิธีบายย่อๆคือพวกนี้เขาอาจจะใจมันตรงไงพออะไรพวกอย่างอันหนึ่งภาษารีบุตรมีตัวอย่างท่านเป็นปริพาชก อ, อ, อยู่ในสั น, สนชยัยบรรลักสันชยัยแต่นั้นมีหกลทัทธิ สัญชาตนพวกฟุดโคอปอ ม, มาราทิกว่าอะไรกับน้องเนยกลับไปกลับมาได้ตีงกรอกพวกนี้นแล้วก็มีพวกโบราณนักสัพะพวกนี้บอกว่าไม่มีเหตุมันมีผลเกิดมาเองอะไรเงี้ยปฏิเสธหมดอะไรพวกเนี้นอมคคิโคสารอะไรเนี้ยก็สัญชาตก็อันนี้แล้วก็นิคนน่าจะบุตรก็คือพระมหาวีระที่เกิดสาจางทาัตนาเชนเนี้ยลงมว่าอีกกลุ่มหนึงเป็นพวก ผมฟ้าพว ก, กที่คำพรนี้ก็อสันชยัยผลิตเอา่าท่านอยู่เนักสันชัยแต่ว่าเห็นว่าก็เป็นเป็นอาจารย์ใหญ่นะทั้งคู่เลยกับะโมคลานะแต่รู้ว่ามันไม่สําเร็จก็เลยสัญญา ก, กันว่าจะหาทําทําเลื่ประเสริฐกว่านี้เนี่ยนะวันหนึ่งเข้าไปดูสมัยก่อนก็เล่นอะไรกีฬาแบบ น, นอเขาคงมีหนังจังแตกก็อยู่บนเชิงข เ, เขาแต่ก็สมัยก่อนไม่ไม่มีหนังก็เล่น ปาร์คเล่นอะไรกันบ้างตารเราเล่นต่างๆบนเขานั่นก็นไปดูกันบอกโอชีวิตมีแค่เนี้ยงเหรอมันมันไม่ใช่มันไม่เห็นมินสุขของไหนเลยมีสุขที่สุดแล้วเนี <c> ่ย <oughs> อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนสมัยนี้เขาก็รวยที่สุดแล้วอ๋อแค่เนี้ยงเหร อ, อนี่นี้ปัจจุบันเนี่เรื่องเนยที่เขาแบบรวยเป็นพันๆล้านเนี่ยก็มีแค่เนี้ยงกันแล้วเนี่ยอยากได้อำนาจอยากได้อะไรเพิ่มไปอีกอันนี้เขาคล้าว่าสองคนก็เลยถ้า พระ อ, อัสสชิเดินมาในตลาดเนี่ยท่านสาริบุตรตอนนั้นเป็นปริปาชกอยู่ก็เห mm ็น hmm. อพระอัสสชิที่มันหนึ่งในห้าของปัญจวัคคีย์องค์งเล็กสุด mm hmm. อ่าท่านท่า mm hmm. นเป็นอ า, ารหันแล้วหลังจากเทศห้าวันหลังจากที่เจอฮุสเจกาสังอส า, า, า, ารหะก็ตามไปแล้วพอท่านชันเสร็จพระธาโอ้ท่านสงบสงบสิรีนโซสรีไทยเป็นครูท่านนี่ก็บอก ถ้าเป็นพระบทใหม่ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากอีกไม่อารังแล้วแล้วเป็นศาสนาที่แปลกทําไมบทใหม่ห้าวันทำไมรู้ตลอดเลยเป็นาา่นถ้ารู้ตลอดแล้วพูดง่ายๆนะอาจจะสอนไม่ได้มากอ่าบอกเอาช่วยบอกหน่อยที่ครูท่านสอนอยังไงผนบอกว่าท่านอาจจะทำตัวเ่็นบทใหม่แต่ว่าพระธาคศสอนทรงสอนอย่างนี้ว่าทําใดเกิดแต่เหตุ วัฏฏาคดทรงตัดถึงเหตุและความดับถึงทำนั้นแค่นั้นนหะสี่ประโยคแามว่าพระเจ้าสอนอย่างนี้แต่แต่เหตุความดับเหตุแล้วก็ไอ้ไอ้เหตุเกิดแล้วก็ความดับแค่นั้นจบสั้นบรรลุโซดาบันแหละมีใครบรรลุบ้างบ้างทท่ไปบอกคําพูดเดียวกันเนี้ยไปบอกขโมกขรานะก็เป็นโสดาปิงเหมือนกนโซดาบัลเหมือนยังไม่ทันเจอพระเจ้าเลย เป็นอักรสาวก้วยกหลคือบารมีเยอะทสมอาจารย์ที่บอกว่าเหมือนเหมือนวัวสีเหล่าอันนี้มันพลน้ำแล้วแค่แค่ดิบผงจยกในตาก็เห็นแล้วนะติ้งเลยนะก็อย่างเงี้ยก็เป็นพุทธที่เป็นศาสนาที่แปลกสามารถรู้ทับแล้วรู้ตลอดเลยฮะไม่ได้อยู่อ๋อ อาจจะบารมีชั้นนี้ก็ได้เรารเ ล, ล้เ น, เนี่อคนอู้ตั้งเจ้าไม่สามารถทำให้เราบรรลุทำได้แต่ท่านสอนให้บรรลุทำได้แต่ว่าตัวเราต้องบรรลุเอ ง, องเคือจะมาตั้งแบบว่าท่านเป็ น, ซนเซอร์มบดามเอาดามมาแตะไปขึ้นนีงทำเองต้อนบอกว่าประถาค็าเป็นเ พ, ยพียงจา่ผู้ชี้ทาง แต่เธอต้องความเพียรต้องเธอต้องมีความเพียรอ่าประทักษทั้งหลายด้วยเพราเป็นเป็นแต่ผู้ชี้ทางเธอทั้งหลายเธอต้องถ่ายต้องทําความเพียโรโจใครโจมันอะไรฮะบัวสีเหลาจริงจริงเดิมเขามีสามหนึ่งพ่นน้าแล้วอันที่สองปิ่นน้ําอาจจะสอนเพิ่มอีกนิดหน่อย ออันบใต้น้าต้องสอนไหลาหลช่วงหลช่วงยามไหลสูตรอันที่สีตรอันที่สอันนี้เข้ามาอัธกถามาเติมอาจารรุ่นหลังมาเติอว่ามีโบ้ใต้น้ำอยู่อยู่ในดินดจะจะเป็นเป็นเป็นเปจะเป็นอาหารปลากระเต่าคือสรุปแล้วผู้พระเจ้าโมอัพธมิสติกพวกอัธกัาจา์เจอมาเยอะไม่ไหวไม่ไหวเหมือน เหมือนพี่หมอพูดอ่ะเพราะว่าที่น้อยเริ่มเข้าใจทำเนื้อแท้จริงๆเนี่ย5ปีหลังนี่เองมันพี่หมอบอกว่าเมื่อก่อนเราก็เรียนเรียนมาแล้วเหมือนที่หมอบอกว่าหลวงพ่อหลวงพี่เอาอัจฉริะเข้าไปเยอะมันก็เลยทําให้เราหลงทานอยู่นานแล้วพอ4ี่หปีเนี่ยเหมือนมาเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเพิ่มขึ้นมันก็เลยมีความคิดว่าเอาตัวเองเวลาเหล่อน้อยแล้วอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ยิ่งศึกษาเข้าไปเท่าไหร่ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันยิ่งสนุกเข้าไปมันเป็นแกนเป็นหัวใจสเราจะเห็นการทํางานของจิตมันอย่างนี้แต่อย่าอย่าเวลาปฏิบัติอย่าไปคิดว่าเราถึงขั้นไหนขั้นน่ะ้องดูดูใจอย่างเดียวพอดูดูดูใจไม่ได้ก็ดูกายไปไหมมันยากกว่าแล้วก็ดูเวทนาดูจิตดูธรรมเลยก็ได้ ด้วยความ <ใน S 1> คิดเรียนรู้แล้วมาปฏิบัติกับตัวเราเองแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันมีแต่สิ่งดีๆอ่าใช่ ค, คือคือมันเป็นปัจจตังจริงๆอ่ะพี่หม อ, อเพราะว่าห้าปีหลังนี่เองค่ะที่เริ่มเข้าใจปฏิบจติจสมบูบาแล้วก็มันมันมีความโอ้โเวลาเราเหลือน้อยแล้วก็มุ่งเอาแต่ปฏิบจติสมบูร์บาเพื่อความเข้าใจของตัวเองเนพระพุทธเจ้าทิงตัดว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ประเสริฐที่สัตว์ประเสริฐหมายว่า ฝึกฝนแล้วนะฝึกฝนตัวเองได้มนุษย์ฝึกฝนตัวเองได้อย่างสัตว์เนี่ยมันฝึกตัวมันไม่ได้มีหมามีมีลิงมีปลาวานเนี่ยที่ก็มาซีลก็ได้สอนมันต้องสอนมันนะต้องเทรนมันมันไม่ได้เกิดเองแต่มนุษย์เนี่ยสามารถเทรนตัวเองให้ถึงที่สุดได้ถึงเป็นสัตว์ประเสริฐ ท, ที่ที่หลังจากฝึกแล้วอีกอย่างคือก็าสามารถเห็นความคิดของเราได้เพราะว่าเด็กสองขวบเนี่ย หรือต่ากว่านียมันจะไม่เห็นเงาตัวเองนะครับมันไม่รู้ว่าเป็นเงาตัวมันจะเล่นอย่างเงาจนกระทั่งมันสองขวบมันรู้อ้เงาตัวเองมันไม่เล่นแล้วมันเบื่อแล้วครัวนะคะไปดูจริงๆนะก็เอาเขาบอกมีอนนัที่ัที่ับาไปดูดว่ามีใช่ใช่มาเาข้าเอา เ, อา ข, าเอาาข้าเอาอกระจกไปตั้งริมริมปาแล้วกอลิล่ามา กระจกแบบเอเป็นเป็นเหล็กอะโลหะอลืมไม่น้มเลยออโอ้ะมันทุบกระจกไง <laughs> <laughs> มั น, ม <laughs> มนมยึดป่าแล้วก็แต่ว่าเขาเขารู้ได้ไงเขาเอาเอาช้างเนี่ยเอาไปแปะปัสเตอร์ใหญ่ๆเป็นกากบาทแล้วให้ดูกระจกช้างก็เอางวงแสดงว่ารู้ตัวเองเหมือนกับตาตาในในตู้เหมือนกัน เรามาเนีขาก็จบไปดูไอ้ที่สำรับช่องนั่นเง้วก็พยายามจะดึงไอ้บางส่วนที่มันมนคนลงไปแปะไว้เงี <c oughs> ้ยแต่ไม่รู้เออเขารู้เงาชัวแต่เด็กสองขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยจะรู้เขาจะไม่เล่นแล้ว เ, เขารู้ว่าเพราะนั้นการคนเราเนี่ยปัญญามันเติบโตมาริงขั้นแล้วก็พัฒนาต่อไปจนกระทั่งรู้ว่าแม้แต่ตัวเราก็ไม่มีตัวจริงอันเนี้ยมันเป็นต้องอาศัยพุทธแล้ว ก็ใส่สติความรู้สึกตัวความจำปัญญาถึงจะเห็นอย่างนี้ <s> <s> ก็รู้สึกแลต่พอเป็นการเรียนที่ว่าจะต้องปฏิบัติไลฟ์ไทม์ไลฟ์ลองตลอดชีวิตมันไม่มีการหยุดแล้วถ้าทําได้24ิซวิธีของหลวงพ่อเทียนนี่จะง่ายเพราะสามารถทําได้ทวินิโฟเซียเพราะเราเคลื่อนไหวก็เราทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นอัตโนมัติเราเคลื่อนเนี่ยจับแก้วก็รู้สึกตัวมันฟีดแบ็ ให้เรารู้สึกตัวขึ้นมันเกิดสัมพันัญญะแล้วมันจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เตือนเราเนี่ยการทำการพูดการคิดไม่ไม่พลาดเท่าไหร่มันก็มีพลาดบ้างเป็นธรรมดาแล้วเมื่อกี้ก็พูดพลาดไปนะหูก็ตาอะไรนะตาก็หูไปด้วยกันแล้วอะไรงเงี้ยก็รู้สึกจะมีเท่านี้นะฮะจะมีกายะเนยก็จุดเน้นก็คือเรื่องเรื่องวิปัสสนาเนี่ยก็คือให้เห็นใจละ S <S <an> แต่เราต้องอาศัยสมาธิกําลังสมาธิด้วยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าละความชั่วทั้งปวงคือศีลเนี่ยแล้วก็ทําความดีทั้งปงวงรวมเป็นมา d เดเวล็อปเมนโดยทําสมาธิแล้วก็ทำใจให้ฟ่องแผลวเป็นปัญญาก็เป็นศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่ในหลักของพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ว่าลึกลงไปมันเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะสมาธิกับปัญญามาคู่กัน คือถ้าทําตรงนั้นได้สิมันก็ถ้าเห็น <Okay. S 1> จิตมันก็เพอร์เฟกของมันเองอยู่แล้วคือถ้าเรารักษาจิตตัวเดียวถลุปแล้วมันก็จะดีหมดอ่ะตั้งแต่เอานั้นเป็นไม่ไม่เฉย่ออันนั้นเป็นทางสายกลางไอนน้อันนี้อยู่ในนั่นน่ะก็เรียกอวาสปาติโมก ท, ที่ที่เดียนแปดท่านเทศทั้งแรกอะ่ะคือคือเนี้ยที่จึงมีมีมากกว่านั้นนะอุศ สัพพะสัพพปาปาสะอาการานังูสละกูสูปัมสมปทตาสติตะภะริโยทัปปนังเอตัมบังศาสนัอะไรนะพุทธศาสน์เป็นคาสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะลงตรงนี้แล้วก็ท่านยังมียังมีเดินอีกให้หนึ่งให้คือคือคือการที่ไม่ไม่ทำร้ายผู้อื่น การทำร้ายผู้อือ่นถือว่าไม่ใช่สมณะการไปฆ่าผู้อื่นเนี่ยถือไม่ใช่ไม่ใช่พรมไม่ใช่พระ mm. แล้วก็บอกว่าขันติเป็นบาลมังเป็นบาลลมังกันติพระมอดทนเนี่ยความอดกั้นเนี่ยเป็นเป็นตบะสูงสุดและนิพพานเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายเป็นอุดมการณ์ลนะแล้วก็มีวิธีปฏิบัติแล้วก็มีสามข้อเนี่ย หลักการสามอุดมการสี่แล้วก็มีข้อปฏิบัติหกคือว่าหนึ่งไม่ทำร้ายผู้อื่นสองไม่กล่าวร้ายผู้อื่นสามมั่นในศีลคือปติโม 4. กซ์สี่กินอย่างกินอย่างสำรวมคือไม่ไม่ใน่โอเว่นดาวมีเดียมนะฮะแล้วก็ห้าห้าอยู่ใน <c oughs> ที่ <c oughs> ที่ <c oughs> อยู่ในที่สิทธูทแล้วก็หกทาใจให้อาิบัติให้ถึงที่สุดกการสาวรวมการสี่กอปฏิบักหกอยู่ในอยู่ในอสซาละหะถ้าธรรมจักรมันเกี่ยวกับว่าไม่ไปติดสุดอันดับสุดแรกไม่ติดในสุดตรงสองข้างคือว่าการมาสุ ข, ขาริการฮิโยที่พระองค์ก็เป็นมายี่บเก้าปีเป็นปรินซ์อยู่ยังมีความสึดร่วมถึงรวมถึงชาญที่มันแน่นอยู่ในนั้นนะ การถึงสูงอะถึงไปหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าลอบพุทหนึ่งหนึ่งถึสิบหนึ่งถึแปดเนี่ยเป็นมีความสุขแต่ละขั้นมันก็สุขสุดยอดของมันนะแต่สุขสุดหนึ่งสุดแล้วก็ไปต่อสองสองสุดยอดก็ต่อสามที่แล้ก็เป็นความสุขอย่างยิ่งสุขกว่าธรรมดาที่เราเราเห็นในสังคมเหือนในชีวิตแล้วก็มีพวกที่ไปทรมานกายก็ยังมีพวกชีพเปลือยนะมีประมาณ 3มล้านคนในอินเดียนะปัจจุบันเคยมีเรื่องแต่เน็กเเซนมาฉายที่ทิวบอลลี่ผมไปดูแต่แต่งตัวทาพองเดนสะพองเ่เต็มขาวเต็มตัวนะแล้วก็ยืนบนขาข้างเดียวแต่มีมีชิงช้ามารอที่ขาครับแล้วมเออเกีอันนึ่งเปยกายแล้วก็เอากระชากเนี่ยปูกกับปูกกับคานอันหนึ่งแล้วก็ ขานี้ก็ไปผูกกะเชือกลากรถนะใช้ใช้ขาอ่อนเนี่ยทนลากมากกว่ า, วาใช้ผูกกับอุณาภูินิดนึงแล้วก็เดินลากรถได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ขาคือมันลลอกเด็กอะมียังมีอยู่เพราะว่าปะเพราะว่าเขาบอกประมาณจุดจุดสองจุดห้าเอร์เซ็นเียของพล เ, เมืองอินเดียมันประมาณพันล้านอ่ะ แต่นี้พันหนึ่งแล้วมั้งสรุปแล้วมันก็มาสองคำล้านาเนี่ยไอเมืองไอเมืองอะไรคุมกุมปาตีอะไรเนี่ยเขยมาเจอกันทิดลินคนงคาเป็นร้านเลยแหละคนแน่นเอียดเลยกุมภาตีปีหนึ่งจะมาเจอ ท, ทีโดยเฉพาะปีสาคัญเนี่ยจะมาเยอะเลไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บปกติเาเนใช่ะปกติเขาก็จะแยกตัวเข้าไป อันนี้เขามาจะมาออกันไปต่อเ น, นี้ยไม่ผิดกฎหมายอ่าใช่ไห ม, ไมเขาเขาอยู่ของเขาเขาอยู่ตามสวนตามอะไรก็เขาเป็นเป็นศาสนาหนึ่งเขาเป็นสิทธิของเขาแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้เน็กตลอดนะเขาก็ในุงนุงคล้ายๆอะไรคล้ายสลงอ่ ะ, อะก็เรียกว่าคนไทยที่มาภาคกลางโจกระเบนอ่ ะ, อะ <laughs> ผมไม่ยามจะไปหาแต่ว่ามันไม่มีขายเรื่อง The Naked s c n <oughs> จะมนจะเป็นตัวอย่างให้ดูพระพุทธเจ้าเผชิญใครมาบ้าง The Naked Scene <oughs> ของของเอ็นตอนนั้นไปดูที่ทิวอรี่สิบกว่าปีเกิดปียี่สิบปีแล้ว <c oughs> น่าสนใจ <c oughs> ชื่อมันชื่อมันน่าสนใจ <c oughs> ไปไปดูหน่อย <c oughs> แล้วก็เป็นพวกเดียรที่คำพร ชื่อเพราะเชียวแล้วมันึกว่าชื่อท้องฟ้าเออก็มีมีคนชื่อจริงๆเน่ยมีมีต้องฟังเป็อรอ่าใจคอรังอันนี้อันนี้ททหารเอ้ยเป็นเป็นทศทง้็ททหารเข้เขอควายขควายเอจะใช้อะไร่มโทมะอ่าใช่ทนมันโททแล้วอีกคอร์ังก แจะปฏิบัติต่ อ, มนะอหมหรือว่าเลือเหนื่อยแล้วลองช่วยคือเ่องจิตดวงสุดท้ายโปรเซสเป็นไงอย่างพวกเราเนี่ยส่วนมากก็บอกเก้าสิบอร์เซ็นที่จะเป็นมีเวทนามากก่อนที่เราจะออคือคือ ม, มีมีตัว<ป>อย่างที่สุดสุดยอดที่สุดเนี่ยอย่างพระสุโทโธตนะเนี่ยน<ฮ>ั่นก็บรุษอรหันในในจิตนาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายหรือพระเรวัตต์ที่โดนเสือขบ แล้ท่กาก็เจ็บปวดมากแต่ว่าท่านวางจิตได้ก็เป็นอะไรครับหรือพระโคติยะที่ว่าค่าตัวตายเจ็ดหนนั้นไม่ตายเพราะอยู่ในฌานไงฌานแล้วมันนิ่งสงบชอบใจก็อยากจะให้มันอยู่ตรงนั้นเชือดคอเรือ่อยหรือทําอะไรไม่รู้มันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตายสักทีสุดท้ายสําเร็จนะเข้าไหมคะนะเข้าในหลักไม่รู้ทําอะไรเนี่ยแต่ใช้มีดมีมีดทําแล้วก็สุดท้ายทําสําเร็จนะท้าสุดท้ายเนี่ย เออสึกแรกๆจะพระพุทธเจ้าจะจะไปห้ามได้ทันทั้งสุดท้ายนี่ท่านก็ปล่อยอ่ะเลยง่ายไม่รู้ไม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่ว่าท่านพอไปเนี่ยเขาบอกว่าท่านคอท่านเนี่ยอยู่ร่องแร้งอยู่ทัง้งทังแกละแล้วแปลว่าสำเร็จแล้วก็แต่ว่าที่ให้ดูภิกษุทั้งหลายเห็นหมอกควันไหมเนี่ยที่มันไปทางนน้นทางนี้ๆๆๆนี้มั้งเพราะว่ามัจจุมาหาหาหาวิญญาณท่านไม่เจอ ก็เลยวุ่นวายหาใหญ่เลยท่านบอกหาไม่มีทางหาเจอเพราะท่านหลุดพ้นแล้วเนี่ยเกิดครั้งสุดท้ายนี่สำเร็จความก็เป็นราหันแต่ไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมให้ไปฆ่าตัวตายทสมีอยู่สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าถามพระหายไปไหนทั้งเยอะเงี้ยบอกว่าไปฆ่าตัวตายตามอย่างเงี้ยหายไปเกือบครึ่งวันเพราะว่านี้ก็เป็นทางลัดเนี่ยเออเบื่อแล้วไอ้แบกคันหน้าพวกพวกนี้ก็ปฏิบัติธรรมมากเขาอะ มันก็แบกมาเน่าไปอาบน้ำเสร็จแล้วไปแบกมาเน่าไปก็อดเทียบไปฟังแล้วนะตัวเพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าเพื่อตั้งสติให้ดีเนี่ยสามารถหลุดพ้นได้โดยเฉพาะถ้ามีสติความรู้สัน่นปัญญาที่ถูกต้องนะคือวางจิตวางความคิดได้มันก็ไม่ไม่ต้องไปเกิดใหม่แต่ถ้าเราเจ็บป่วยมากมากเนี่ยเ ร, เราจะตั้งสติได้ เหมือนก็ใก็เห็นเงินเวทนาความปวดเนี่ยเป็นทีมอภิปัสสนาไปเลยอ่าคืยถ้าถ้าไม่ฝึกมันสับสนแต่ว่าฮแต่ว่าก็มีกรรมนิมิตก็ว่าทำกรรมอะไรเก่าไว้เนี่ยมันจะมาเริ่มบอกบางคนก็มีเรื่องที่เขาว่าอ่ที่เขาเล่าในพระท่านเล่านะว่าคนคนเนี่ยเวลาไฟไหม้บ้านเนี่ย นี่เขาก็เจ่าเรือไปเจ่าบ้านนะั้นไปคนของช่วยเขาคนของหมดเลยนะไ ป, ไปกนลับบ้านด้วย <c oughs> อะกลับบ้านด้ว <c> ย <oughs> ขนกลับบ้านหมดไ <c oughs> ใชไ <c oughs> ่ไปเอาด้วยคนกลับไปจะตายเนี่ยเขาคิว่าโดนคิดว่าไปเอาอลูกเอาน้ําร้อนมาไปชงน้ําร้อนมาหน่อยอดื่มเท่าไหร่ร้อนไม่พอไปต้มมาอีกสุดท้ายไม่ทันใจไปกอกสังกาเลยตายกะที่เงี้ย แล้วคนหนึ่งชอบเป็นครูชอบไปรังแก น, นกเอาเอาเอาเอาเอ า, เอานกมาราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟให้มันบินไปสุดท้ายโดนไฟครอกไปไปกลางเต็นแล้วก็โดนไฟคลอก็เตียงลม้มก็ตายกรรมมันสนองอะเนี่ยกรรมอะอันนี้อันนี้มันยังไม่เห็นนะตอนใล้ๆกรรมมันตามมาว่ามันมีกรรมวันนิมิตรอารมณ์อ่ากตินิมิตอารมณ์ที่สิ่งนะ กรรมาอารมณ์เราเคยทำดีแล้วมันจะมามาบอกเราเราเคยทำนี้ทำสิ่งที่ดีว่านึกตอนตายค่อยนึกถึงสิ่งดีๆนะือมีคนเยอะเลยถ้าไม่รู้ที่เขาบอกว่ามีคนมานำเหมือนพระท่านมาคอยนำอันนี้อันนี้จริ ง, พรงเพรา ะ, ะรว่าพอ่อผมก็จะเสียสักสองวันเนี้ยล้าป่วยอยู่ซีราต4สี่เดือนเป็นเป็นเน่ต้องไปทำให้เป็นพอ r t ท l h y p e r t e n s i o ชเป็นตับแข็งเลยไม่เคยกินเหล้าเป็นอย่งยางกับยที่สองทาชั้นอำชั น, นแล้วก็ ก่อนจะเสียสักสองก็เรียกไปสั่งเสียก่อนเลยนะของวันเนียบอกว่าจะไม่ได้อยู่เลยแเราจะให้ทํอย่างนี้แล้วก็ท่านรู้ตัวดีมากเลยแล้วก่อนจะตายสักสองวันก็บอกเนี่เมื่อคืนนี้มีเทวดามาตั้งเยอะมาเชิญไปอยู่ด้วยเชินไปอยู่ด้วยไปอยู่ด้ว ย, ยกันน ะ, แ ล, ะออนแล้วพออีกสองวันว่าวันวิสาเออวันมาฆาบูชาสิบเก้าบุพภาก็เสียวันนัึง ท็ไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ด้วยเราไปฟังว่าเขาพูดถึงว่ามีคนมาเชิญมาหาวิญญาณนะฮะฝรั่งก็มีพวกไปคุยกับ h ฮอสพิสบอก they saw their relative came by invite them ชวนชวนไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมีจิตจิตมันเริ่มเนี่ยเป็นกตินิมิตอารมณ์หรือกรรมะอารมณ์มีคนมาชวนพี่ไปอยู่ด้วยแต่พี่ไมนไปดีแล้ว กอะไร้นะโอเคอย่างพี่แววเนี่ยนะพี่แววทุกคนรู้จักพี่แววตา่ยก็สมัยยังไม่ตายก็สนิทกันนะเวลาไปเที่ยวไหนที่ไหนที่เมือไทยก็จะไปด้วยกันเยอเลยแล้วแต่เราเขาก็เคยบอกตอนที่เ้ายังไม่ตายเฮียไอแอปเนี่ยมันขยันเขาบอกนะเฮียชาชาหน้าดีจริงนะที่อยากจะขอมาเป็นเมียคือเขาพูดเล่นๆตลกเแลไม่มีชายนะเขาอย่างนี้แต่แล้วก็ หลังจากที่พี่ประกาศไปแล้วพี่ก็ฝันเห็นเขาแล้วก็แต่งชุดแดงนะคะแล้วเข้ามากับคุณอีกหลายๆลายคนแต่งดแดงแบบจังหมดเลยเจ็ดแปดคนเนี่ยมาด้วยกันนะคุณแอแอ๊ดกระส่งพี่หน่อยสิพี่อยากไป็บาร์ลังโคลและแอ๊ดเห็นเขาใส่เสื้อสูทเฉยพี่แหวเสื้อพี่แบบสวยมากเลยเนาะเขาบอกไปบาร์ลังโกันแล้วก็เลยบอกว่า หนูจะไปได้ยังไงอะพี่พี่มากันตั้งหลายคนรถหนูนั่งไม่หมดหรอกอพี่ไปกันเองแล้วกันหนูไม่ไปหรอกนะคะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนสมัยเรียนตั้งแต่ประถมเนี่ยเรียนมาด้วยกันตลอดลเจนกระทั่งจบเอเรนเทอรี่แล้วเขาก็ย้ายไปแล้วก็มีเคยติดต่อกอนนันแล้วตอนหลังเนี่ยเขาไปเรียนปศครูป่ปศป้าสเสด็จพิภายา วันที่ลัารับประกาศตีบัตรที่เขาเรียนจบอก็ดีเขาตายวันนั้นเขาเดินข้ามถนนเพื่อจะไปรับประกาศแล้วรถชนเขาตายพี่ก็ไม่เคยติดต่อเขาเลยนะเพราะว่าพี่ก็ไปเรียนพยาบาลเขาก็ไปเรียนอะไรของเขาลแล้วเราก็อยู่ที่บนจูๆ่ๆฝันถึงเขาแล้วเขาก็บอกวาเทพีไปเที่ยวกันพี่ไปกับเขานะมันเหมือนก็บเป็นสวรรค์่ะแล้วก็มีรถมารับไปนะ แต่แล้วพี่ก็กำลังจะก้าวขึ้นไปกับเขาอะรู้ว่ามันเป็นเหมือนก็เป็นสวรรคนะ์อเอาเท้าเนี่ยก้าวไปบนรถข้าหนึ่งละแล้วบอกโอ้สีพงลืมไปแล้วไปไม่ได้แล้วเราต้องไปรับลูกเพราะว่าเนี่ยลูกโรงเรียนเลิกลแล้วก็ไปรับลูกไปไม่ได้ไปไปไปไม่ได้เขาบอกแล้วขแล้วก็ฝันอยู่เรื่อยเรื่อยว่าเขาชวน ięcy. จนกรนะทั่งหลวงพ่อไหล่นะท่านก็ไปอยู่ที่วัดก็ไปถามท่านบอกอหลวงพ่อ โยนฝันอย่างเนี้อยู่เรื่อยเลยคนคนนี้ยชอบมาชวนยนให้ไปนู่นไปนี่แต่โยนไม่อยากไปในฝันเลนะพระท่านบอกเอาอย่างนี้เอทําบางชาติให้เา้าแล้วก็เลยไม่ไม่ฝันถึงเลยไม่ใหม่เลยขอสั่นบนุญแล้วทําไมรู้ไหมไม่ทราบว่าวิญญาณนี้จริงหรือไม่ก่อนคุณพ่อพี่เสียก่อนที่พี่จะเดินทางมาอยู่ิกาเนี่ยนะพี่ก็ ยกมือไหวคุณพ่อขาหนูจะไปอเมริกาแล้วนะนะขอให้คุณพ่อเนี่ยจบคุ้มครองลูกกับหมอด้วยให้เดินทางปลอดภัยอ๋อขอก่อนขอเอ่อพอ่อแกนบันนี่คุณพ่อพี่ได้ขี้เหนียวมากรู้ขอพ่อแกนมันนี่หน่อยนะคือตอนนั้นเราก็ไม่มีเงินอะไรเยอะๆแล้วเราก็ไปซื้อลอตเตอรี่ถูกเลขท้ายสองตัวสองห้าได้สองร้อยบาทแล้วพอพี่ก็ถูกจริงๆด้วยซื้อวันนั้นแล้วก็ถูกแล้วปากก็ไม่ดี แมหมดูขอหน่อยก็ให้หน่อยให้แค่สองรอยเองไม่ไปทำอะไรได้แม่บอกก็แกก็เอาเป็นเงินก้นถุงเก็บเอาไว้คุณแม่บอกนะเดีย๋ยวาไปใช้มันเก็บว เ, เป็นเงินก้นถุงแล้วพี่ก็ขออีกคุณพ่อขาหนูกต่เราจะไปแล้วนะขอให้คุ้มครองูขึ้นเครื่องูิให้ถึงเมืองเมืองนอกเนี่ยให้ได้รับความปลอดภัยทันทีที่พี่มาถึงที่ที่นี่ น, นะก็คือมีฝันไปฝันว่า คุณพ่อมาเคาะปะตู ป, ắc, ป, ắc, ป ắc. ๊๊กป๊อี่ก็ไปเปิดประตูว่าอ้าวคุณพ่อมาทําไมโอ๊ย่อยหิวข้าวฝนตกเนื่ยขอเข้าไปก่อนวันแรกเลยอ่ะแล้วเป็นไปได้เมื่อที่วิญญาณตาว ม, มาสมที่เล<ป>ยเออเอเจมาเลยมาอย่างเนี้ยก็เป็นไปได้มีความปูกพันกันพ่อพี่ขออ่ะแล้วเข้ามาสมงพี่เข้ากับวิญญาณพ่อมาสมถูกไหมฉันจิตมันสื่อกันมันไม่ไม่แน่ใจแล้วบอกพ่ออย่างพ่อบอก แล้วพี่ยางบอกเลยทําไมต้องมาขอข้าวหรือกินด้วยเห็นแม่ทําให้ทุกวันคือรู้ว่าคุณพ่อเสียอนะแต่ฝันก็รู้คือแม่เนี่ยทําให้ทุกวันใส่ถานให้แล้วก็มีข้าวมีน้ํามีกะแล้วก็ถืกถ้วยดอกทุกวันคุณแม่บอกอ้าวว่าทานข้าวอะไรเนี่ยพี่ก็เห็นกระตาพี่ก็จัดไดนพอมาถึงที่แล้วพอบอกพ่อหิวแ็จแล้วเราบอกทำไมพ่อหิวข้าวอ่ะแม่ให้กินทุกวันน่ะทำไมพ่อหิวข้าวแม่แงทำกับข้าวแม่อร่อ เแม่แก <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh ่ทำขาวแม่อร่อยจิ้มจุพ่อไม่ชอบเขาบอกว่าลูกอะทาอร่อยคุณพ่อเป็นคนปากต้ชอบกินแกงรสจัดจับแกงอะไรอะแกงไปปลาแกงแกงถืงอะไรพวกเนี้ยเส็จแล้วพี่ก็แล้วพี่ก็ไหวทุกตุ๊จีนแล้วไแล้วได้ไรมาแล้วเสร็จแล้วทำอะไว่าแล้วพี่ก็บอกอืมเห็นไหมคุณพ่อบอกว่าหิวแล้วก็ตกใจตื่นแล้วพี่ทำไงพี่ตื่นมา ที่มาถึงไม่ใหม่อ่ะทุบมันก็ไม่มีเทียก็ไม่มีมีกข้าวกุข้าวแล้วก็เอาไข่ต้มลูกนึ่งแล้วก็บอกยกมาไหวตัวที่ไม่มีไม่มีทุบไม่มีเทียนบอกคุณพ่อขามาทานข้าวนะบอกหนูมีแค่เนี้ยทําอยู่เก็ปวันแล้วก็ไม่ได้ทําอ่ะแต่ว่าถูกกินปีแรกพี่มาที่ก็ทํามีไก่ตัวหนึ่เท่านั้นเองไม่มีเป็ดเพราะว่ามันเดินพี่คนเดียวอ่ะมาถึงว่าเป็นดินเซอร์นะแล้วก็กิงกันไม่มีไม่อีกคนอ่ะพี่ก็อะไรอ่ะพวก คนที่มาอยู่ด้วยกันหมอติ๋งหมอไฟฟ้าหมอประเสริฐเดี๋ยวนี้ก็เป็นสาม แ, แล้วก็ไข่หมอสมุริยสมส ม, มีไม่กี่คน <c oughs> ก็เลี้ยงกันแค่นี้กันแล้วพี่มาอยู่ที่นี่นพี่ก็เลี้ยงปีเวลาตุร ก, กีเพราะว่าพี่ถือว่าว่ายบังคับหมดที่ไม่เคยอยู่ทุกปีเพอไหายเสร็จพี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือก่อนที่จะว่าทาถุรกีเนี่ยนะแม่เคยขอเอาไว้ตอนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่แม่ถามว่า ถ้าแม่ตายไปเนี่ยนิดอดแกจะทําให้แม่กินไม้สุดกินโอ้เราก็ต้องสัญญาทีนะขอแม่ขอสัญญาอุย้ยดิ ก, กิ น, นต้องทําให้ตลอดแต่อยู่เมืองไทยี่ไม่เคยทําเลยแล้วพอคุณแม่เสียนะแล้วพี่ก็มาอยู่ที่เมืองนี้นะหลังจากคุณแม่เสียพี่ก็เลยทําก็ทํามาตลอดนะทํามาแต่ตอนนั้คุณแม่ยังไม่เสียมาอยู่เมืนี้สักสิบ ป, ปีคุณแม่เสียเลยทําตลอดโดยที่เอาลกูกทั้งหมดมาตั้งที่คนที่เสียชีวิตอืนะ บอกว่าเขาได้ถ้าเปิดถ้าเปิดว่าเขาอยู่สูง <c oughs> บนกขาสูงกว่าเขาไม่ไม่ไม่นี้ตรงนี้ <c oughs> แต่ถ้าเขาเ <c oughs> ขาต่ำกว่าเนี่ยเขาเขาอาจจะนี้แล้วพี่ม <c oughs> ฝันเห็นแม่เห็นพ่อเป็นเลย เ, เพราะว่าเขาเขาเขาาอยู่ในสวรรค์แล้วก็ของนี้มันธรรมดาก็าไม่เ้เพรเคยเขามาบอกว่าเขาเหิวเขาอะไรไม่เคยแต่คนที่หิวก็คือพี่แหวนมาบอกพี่ว่าหิวอยากกินต้มตํากิชอนนะคนหนึ่งละที่ครั้งก็มาชวนไปเที่ยวมาตั้งสามที อนี้ก็ไปเล่าเพื <Yemen. S 2> oso, ่อให้หลวงพ่อหลวงพ่อไหลฟังแล้วท่านก็บอกว่าให้ทําสังประธานไหแล้วเขก็ไปบอกบอลไม่มาบอลเลยแล้วก็จริงๆแต่แดนมันก็เวิร์กแล้วพี่ก็ไม่เคยฝันพี่แหววไม่เคยมาหาอีกคืมาขอส่วนบุญแล้วแต่ครูของพี่นะอาจารย์พี่อาจารย์หมอสุวรรณิก็เขาก็ตายไปแล้วส่วนแล้วก็ลูกศิษย์ทั้งชั้นเลยอ่ะร้อยยสิบคนอ่ะทำไมอ่ะเขาตายไปแล้วเมียเขาก็มีนะเพื่อนเพลูกศิษย์เยอะแยะ ไม่ไปขอมาเข้าฝันพี่มาบอกว่าครูหิวขอข้าวครว่าตายอยู่เมือไทยเราอยู่ถึงมืงนอกมาบอกแล้วว่าหิวที่ที่มีมีชูนิ่งไม่รู้ทำไมมีชูนเดดีฟังแม่เซมี้นเป็นยานติดต่อคุณแม่ได้ใช่ไม่อิดประตูรับติดต่อไได้เข้ามาไม่ถึงเราแไปเข้าอยพ่ก่ทราว่าทของพวกของพวกมัน a ออของพี่มันเอเอ็มีอางิอที่ไม่พอใจี่ไม่พอใจดญิ เบอร์รุ่นขี่มีตั้งน้อย20คนนะคะแต่ว่าพวกเรามี5เซนนั่นเองแต่ว่าอาจารย์ไม่เข้าฝันบอกมาเข้าฝันบางคนมันก็จิตจิตอ่อนเขาก็จะเห็นง่ายอย่างอย่างใครอะที่วัดเนี่ยเขาเขาไปเยี่ยมเพื่อนเขาไงไปเกาะอุ๋มเนี่ยเขาเห็นพวกผีจากลงมาจากต้นต้นปาล์มอะเต็มเลยเป็นร้อยนะห้อยลงมา ที่ชายป่ากั้งวันเซ็ก์แแล้วก็แล้วก็ต้นผ่าเนี่ยมันไ่รู้ไอ้ทีลูกศิษย์บ้านคนหนึ่งลูกสิษบ้านคนไม่เอ่ยชื่อไอ้ทีเขาไปหาเพื่อนที่ LA อ่อแล้วเขาบอกนี่เตงขึ้นมาเขาไปบอกเพื่อนนี่ฉันไม่ได้นอนนั่งคืนทำไมอ่ะไม่รู้เด็กที่ไหนมัน้องมันขย่มเตียงนั้งคืนเลยเขาบอกออ กุมารทองฉันเลี้ยงไว้เองอ่ะแล้วบีออีกที่ไปพัทยาเป็นนอนโรงแรมพัทยาไปนอนห้องพิเศษห้องอย่างดีเลยน้องขายหาให้ท้อมแต่แล้วพี่ก็ตอนคืนพี่ก็ไหว้เจ้าที่เจ า, าทางแล้วก็ไหว้พระแล้วก็นอนมานอนนอนพี่ก็เห็นเด็กในฝันเป็นเด็กขึ้นมาปีนอยู่บนหน้าอกพี่แม่จ๋าแม่จ๋าหิ้วนมโอ้แม่จ๋าแม่จ๋าอยู่น ม, ม, ม, นม พ, พี่ปีนอยู่บนหน้าอกพี่นะ พี <Cornell>. ่ก็บอกไม่พี่ก็โสดมัใอย่างเดียวไปที่ชอบที่ชอบนะพี่ก็บอกว่าขออ้โหสิกรรมมีรู้เรามาทําอะไรมาทีพอเช้ามาปุ๊บพี่ก็ไปบอกน้องน้องกับดภัยกับน้องชายพี่ไปด้วยนะแล้วก็นอนกันสองห้องเสร็จแล้วก็ถามน้องว่านี่ห้องเนี้ยมีคนตายแงๆนะพี่ว่าสงสัยจะเป็นเด็กด้วยไอ้สองคนมันก็หัวเราะกันนย่างนี้พี่พี่โดนเหรอ ไม่จากไม่จากขนมใช่ไหมว่าอ้าวแสดงว่าหนูรู้นี่ว่าอะไรเกิดขึ้นเขาบอกพี่เรา์นอนูขถือว่าพี่มาจากอเมริกาที่ไม่เชื่อของพวกนี้คล้วเคร่งร้องดีร้องดีที่ไม่เชื่อของพวกนี้แล้วเขาเป็นไกรสองคนเลยแต่ตัวเขาอ่ะเขาโดนมาแล้วขนมองนี้แล้วมันเป็นห้องใหญ่ที่สุดแต่ว่าเขาบอกไม่ต้องบอกพี่หมอกับพี่แอดไม่ต้องบอกเขาเพราะเขาไม่เชื่อหรอกโอ้โห ล้วพี่หมอเขาก็โดนด้วยเขาบอกอทําไมเด็กมาจากไหนเขาบอกโดนทั้งสองคนนะแล้วพอเช้ามาพี่ก็เลยบอกน้อยพี่ถามจริงๆให้ไป ถ, ถามเจ้าของโรงแรมเนี่ยว่าห้องนี้่มีเด็กตายหรือเปล่าเขาพี่แอดโดนเหรอแม่จ๋าแม่จ๋าขอหนอนอะไรใช่ไหมบอกอ้าวทาไมน้อยรั่วก็น้อยก็โดนพี่พี่พี่เขาก็โดนแล้วเสร็จแล้วทำยังไงบอกน้อยก็ไปทาบุญนะแล้วก็ก็บอกให้ทะครบ มั้นมีเด็กตายเด็กเป็นไข้สูงไปหาหมอไม่ทันพ่อแม่พาอาการระบาดไปบาทีวิญญาเขายังวนเวียนอยู่มันคนได้ยังอย่ควกที่ตายตายก็ทันหันพวกคอตายเนี่ยพระเอ็งก็บอกพระบรมบอกก็เหอนว่าเขาบอกว่าอยู่เจ็ดวันคือของของที่เบรกที่เบกเขาอะอยู่ที่เบรกเขาี่ส้าวันแล้วเขาจะไปเกิดอันนี้พวกที่ยังไม่ไปเกิดเนี่ยมันก็เป็นสามประเวสีมันก็รอกระทั่งมันมีรู้ทางมันถึงจะไป ตอนที่ตึกถล่มอ่ะที่ตึกไอ้ไอ้ที่เดียวองะววถล่มมันถล่มเสร็จปุ๊บวันนั้นก็ถึงพี่ฝันที่ฝันว่าพี่ไม่รู้ไปที่ไหนมาเป็นพันเลยยังไงพี่เดินไปที่ไหนแล้โอ้ตึกร้างผีเต็มเลยอ่ะคือเรารู้ว่ามันเป็นผีนะมันตัวดำดำแล้วมันก็เดินแบบมันขิวโหยนะตายหงมันมานะมันเดินมาอย่างนี้นะมากระเต็มแล้วแล้วพี่เนี่ยคือน้องปังอยู่นะมันเดินมาอย่างนี้ ว่าพี่รู้ว่ามันไม่ใช่คนอ่ะมากัเต็มเลยอ่ะนะพี่ไปทำซีรีส์เนี่ยหมอแล้วพี่ก็กลัวเสียแล้วพี่ก็กลัวนะเดินขาส็แล้วพี่ทํายังไงไหมพี่ถือน้องปังอยู่อ่ะพี่กับ้องปังเนีโยนมาโอ้มันแย่งกันกินอย่าโยนไปมันก็แย่งมันหิวมันแย่งกันกินอย่างเลยนะเสร็จแล้วพี่ตื่นขึ้นมาปุพี่ก็โทรไปที่วัดเลยบอกว่า โยมฝันอย่างนี้แสดง ว, ว่าเวิร์คเพรสเซนเตอร์หรอ่าพวกนี้มันคิวเมืม่อไรเนี่ยท่านบอก<ม>ท่านบอกว่าใช่<ม>เขาบอกงั้นโยมจะขอมาทำบุญถว า, ายสังฆทานนะคะวัดผู้นี้<ม>แล้วพี่ก็เลยโทรแล้วสบบอกเพื่อนๆไปกันอนะ่ะเกือบห้าสิบคนอนะ่ะเอาไข่เอาขนมปังเอาอาหารทุกอย่างไปไปไ ป, ไปทำบุญแล้วให้เขาอ่ะนะบอกเขาว่าให้เขามารับส่วนบุญสมนกุ ก็เป็นโอกาสให้พี่ทาบุญด้วยแล้วหมาที่ตายนะพี่ก็ยังฝันแมวแต่หมาไงมาทำอะไรหมาเขาทำอะไรเดี๋ยวไปถึงตายทำอะไรเดี๋ยวไปถึงพี่เองไนี่ตายไอตัวใหญ่ๆนั่นแหละตัวใหญ่มันตายแล้วพี่ตอนนั้นพี่เรียนแมกซิเซนแล้วพี่ก็ไปที่ที่ไอหมาบ้านะแต่ตอนนั้นเคร่งมากอาจารย์ดิเลกอาจารย์ดิเลกทุกวันเลยอยู่บ้านก็ปฏิบัติไปสีขึ้นมานึ่ง ไอ้ตัวนั้นมัน น, อในใัอยู่ ใ, ใกล้เกียไอเจียตาอเนี่ที่นั่มันมาอยู่ ใ, ใกล้ๆพี่แล้วพี่ไปเดินอยู่มาบ้านเนี่ยพี่ก็ยังเห็นมันเนี่ยพี่หมอไปว่ดยนในใอดมะแขกเจต่างที่นั่งเข้ามามันเห็นไปเองว่าเป็นหมาแต่ว่าเวลานั่เนี่ยเข้ามาอยู่ ใ, ใกล้ๆมันนั่งที่บ้าเวลามาบ้านนะเวลาใครจะกลับบ้านจะใ ส, ส่รองเทากลับไปเนี่ยมันยังงั่เลยมันว่าเป็นทรัพย์สมบัติของมันนันั่งแต่มันงง <laughs> ไม่กัดเจ็บๆนั่งบ่อยของข้าเราไม่ได้เดียวไป ตัวโดนลอยเลยแล้ววันดีคืนดีพี่พี่กับพี่กับเฮียนะแพะกที่เต้นลำสมัยทิกทสมัยหมางรับมันนะับมันถึงเขามากัดแย่มากัดเฮียมาดึกว่าเราสองคนตีกันมันกัดอย่เลยดึงค<า>องเขาเห็นเราสองคนเ้ทาทำท้ามันมาดึกว่าทะเลาะ ก, กันตลกมากเลยแล้วไอหมาตัวหนึ่งเป็นของลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ตอนนั้นเขายังไม่มู่บ้านที่ไปบอกเขาว่าหมามันมีเบ็ดนะเลิ่ อ, อเนเถอนไปวมดเลย เอยเอามันไปทําพิษเจลได้ก็หนีสิเรื่องไรมันเลอะเทอะทั่วมากอะไรเงี้ยเช็คอะแล้วก็มันก็เชื่อแล้วไปทำสามวันแล้วหมาของคนตายโอ้นรู้เป่ะมันร้องไห้ทั้งหัวทั้งเนี่ยเราก็ฟิลแย่ด้วยเราก็เสียใจอะเอาหมาไปไว้แล้วสิงโคมเอาไปไว้โรงพยาบาลเพราะว่าผ่าตัดแล้วเอากลับมาบ้านหมอเขาไม่ให้อะไรติดเสร็จแล้วมันมันหนักมันเริ่มหนักเขาก็เลยเอาไปไว้โรงพยาบาลใหม ตายตอนตีสี่เขาโทรมาว่าหมาอยู่แค่โซเวนก็ร้องไห้อยู่ไอ้ทั้พร้องไห้สงสารเห็นไหมบอกถ้าเราไม่ไปบอกมันให้าไปทำวิสเซอรเล็กตัวีมันก็ไม่ตายก็เหมือนเราอะไปสั่งให้เอาหมามัน ไ, ไปทําตายอ่ะใช่ไหมที่ฟิลฟิลตี้มากเลยรู้ป่ะโอ้โ ห, โโห ท, ทํายังไงอยู่ๆจ่ายก็ไม่สบายก็เลยมีหลงพ่อไปเสิร์ชอาจารย์ปะเสิร์ฐมาบ้านเชอร์รี่แล้วเสร็จแล้วก็ ไอเชอรี่ก็โทรมาบอกว่าแยกมาเาไวี้ยงเยนกันเอหลวงพ่อมาจากอะไรนี่โอเคบอกช mm ่ว hmm. ยถามหลวงพ่อไอพีว่าหมาที่ตายพี่อยาทำบุญให้หมาได้ไหมท่านบอกได้พี่ก็เลยว่า น, นั้นก็มีพระมาไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะเอาจากวันระเปน็นพี่ก็เอารูปหมาของพี่่ไปตั้งไว้ที่พื้นแล้วก็เอาอาหารนะใส่ผ่านอาหารหมาวางไว้วที่พื้นเอารูปหม า, าที่พื้นส่วนขอ ง, ของพระอุทธวารชัยมคล แล้วท่านก็สวดเอ่อบางสมบุญให้หมาดี่ด้วยถ้าสวดจริงๆเสร็จแล้วก็ท่านบอกว่าคุโย ม, มีเมตตาเนอะบอกไม่เคยเห็นมีใครมีเมตตาของคุณโยมท่านก็สวดให้ยิ่งยั่งวัตรสักท่าลาอะไรเงี้ยแล้วก็เออเราสบายใจเราสุสบายใจเดีใจเสร็จแล้วก็กลับมาว่ากลางคืนที่ก็กลับวพระนะคะระกล่าวพระเสร็จทุกที่ก็ล้มตัวนอน นอนรู้ไหมพอพี่ลงตัวนอนพี่ยังไม่ได้หลับมันวิววิวิวมันหมุนไปหมดเลยอ่ะทาไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันหมุนอยู่เลยนะอะไรก็ไม่ทราบหมุนพี่ก็เลยเพ่งเนี่ยพี่เพ่งไปพี่เห็นหมาพี่ตัวพี่ตายโอมันมีความสุขมากนะมันกระโดดโลดเต้นยังมีความสุขโอ้โหมันมีความสุขจริงๆแลอพี่ยังบอกว่าโอ้จะนี้เกิดเหรอลูกโอ้บุดกัหมาแมมันแฮปปี้กันแม่ลิงกระโดดอย่ามีความสุข แสละความนะพี่กบเดียไม่เคยไปคาสิโนก็ไปเล่นคาสิโนไปเล่นคาสิโนอาริสตามันเปิดมามแจกรถวันละคันละคันละคันพี่ไม่เคยไปเปิด ม, มาสามปีพี่ไม่เคยไปยพี่แหววแอะไปแจกรถวัน ล, ละคันละคันละคันโอเคไปก็ไปหมอสาบไหมนี่พี่ไม่อยากนะส้ว พี่ได้แจ็คคอตกับหมอกับเฮียพี่นะทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนวู้ทำไมเงินมันหาง่ายอย่างเนี้ยไม่ได้เชื่อเลยค่ะไปใหญ่เลยพี่หาไหนก็ได้หยุนั่งแล้วได้ทุกวันค่ะรู้ป่ะพี่ได้เงินตั้งรอยให้ซักสามสตังได้พี่ได้เงินมาเป็นง่ายด้จริงจริงเลยทํามถงมันง่ายมากเลยวกะอูนี่ไม่ต้องทาอะไรไปถึงก็หยอนหยอะก็ได้เงินแล้วมันงะมังงงงงะง หนเดือนนะคะพี่ก็สวด น, น, นอนหลับตาหวิวอีกล แ, แล้วมุ้นวุ้นวุนุ้นมุ้นวุ้นเต้นวน่นพี่ก็เห็นอีกคราวนี้ไ อ, หอ้หมอหมาตัวนั้นที่ที่มันเคยมาให้พี่เห็นนะคะไอ้เสด็จเจ้า <c oughs> มันกระโจนขึ้นไปเลยมันสะบัดตูดมีขึ้น <ừ> ไปเลยหมดหมดจ๊กพัดต้องแต่นานนะพี <c oughs> <c oughs> ่เห็ <c oughs> น มันของมพอแล้วหมออแล้วเออหมอแล้วช่วยดูแลหมวไงไม่หว่าไงไรไราอยทำไปเล่นต่อไม่ทไมาตรงนี้ทขาเรือนยิ้สอนได้รู้ว่าไม่ต่อหมดแนแมแต่หมามันยังรู้เลยมันเลยอ่ะเลกว่าให้อยู่จะไปเห็นให้าตัวนั้นไอโอมาชาลิฟเน่ะพี่มันเคยบอกเคยมันเคย ไม่ไม่พูดถึงว่าข็อปไอซ์ซิกซ์ซีนนีมันก็ไอเคยเล่นหนังเรื่องละไรล้านเหรียญนะเล่นดังกี่เรื่องแล้วพระบรรดาทุกกระสอบเป็นอียิปต์บอกไอไเนี่ยมีข้องม้าใหญ่อเงี้ยมีม้าตั้งหลายตัวดอกเดี๋ยวนี้หมดแล้วเพราะว่ามันต้องท็อปเดอะ s t สไคลแม็กซ์เวลามันเล่นเน่ะจะต้องท็อปเดอะเลสขาดมันเสียหมดเลย เพราเราต้องระวังนี่เวลาจะไปเล่นเ่นเรื่องสุดท้ายของพ่ออะไรชื่อว่าเล็บด็เตร์ชื่อว่เออใช่ใเขาได้ตุกตาเรื่องอื่นล้ปลาที่ตายที่ประชบุลปลาทองที่เลยว่าที่บอเนี่ยหปีนี่ตัวเล็กๆจะข้งตัวของปลาเพียร์แต่แล้วพี่ก็พี่ทาตายเปลี่ยนน้ำสิบตัวแม่สามชาร์จสิบหกตัวตัวท่านี้นะคะตายพร้อมกันหมดสามสิบกตัว สบายมาถึงตายเลยวะเปลี่ยนน้ำไอ้คอรีเนี่ยมันต้องมีลิ้นุ้บๆอยู่แล้วทําอยู่ประจำสามวันก็เขียวสาววันก็เขียวแล้วพี่ก็ต้องล้างน้ําทุกอาทิตย์เลยหน้าลาคานไปถามไอ้ร้านขายปลาว่าทํายังไงมันบอกคยูต้องเอาไอ้นั่นต้องเอาออจี้คิลเลอร์เขาบอกเอาไปเคีวมันแล้วก็ไอออจี้มันก็จะไม่ขึ้นที่ทําเลวันคืนวันเลยหลังจาก คอรีก็ดูคอรีมีบุฟกฟ่ด้วยไป่เลปลีโอยน้ำใสสะอาดนะความีขับเนีเขียวๆออกหมดเลยอกบัวให้โอ้ปลาหวาแวกว่าพี่เป็นนั่งดูตัว น, นั้นโอ้มีความสุขโอ้พี่เห็นมันนะว่ามันมีความสุข<ม>พีสูงว่า<ม>พี่เห็นพี่ไม่รู้มันทกเออย่างไรรู้เปล่าองมันก็แหวว่าหล่นไม่ใช่มันเด่นจะออกยังไงวเ้าตื่นขึ้นมานะพี่ก็ไปนงเอากาแฟไปกินเ้ยไปปาทุกตัวตาย ตก้นบ่อหมเลยอ่ะโอพี่นั้นร้องม่จะจนลงไปกระโจมไอ้มากไปเอาสวิงตักขึ้นมากองเด็กหุดหลุมฝังมันระหว่างนั้นขึ้นก็ไปทำบุญกลายมาจากเมืองไทยได้ได้สีหวันเองอ่ะแล้วเอาอะไรพี่เขาซื้อปาสลิดมาจากเมืองไทยด้วยเสร็จแล้วแล้วพี่ไปทำบุญนะแล้วพี่ก็่ดีใจที่ว่าโอ้พระวัดเราไม่ได้ฉันปลาสลิดไมนอยากรายคุณน้อยแล้วปะ ไม่ได้คิดไงไม่ได้คิดเกี่ยวกับว่าเลือกปลาแบบพี่ก็เอาปลาสลิดทอดนั่นแหละเอาไปถวายท่านแล้ว ก, ก็ทาบุญปกติถวายสักทานะอะไรอะไรเรียบร้อยทุกอย่างตั้งเดือนหนึ่งแล้วอ่ะอยู่ๆที่แสงดาวอ่ะเขาไปย้ายไปแล้วแอแอดแอดเขาว่าปลาตายหมดบ่อเอาเนื้อปลาเอาปลาไปทําบุญถวายพระหรือป่าอะจนกระทั่งพี่ลืมไปแล้วอ่ะว่าพี่ทํำกับข้าวอะไไป พอดีไอ้เฉี่หรอใช่พี่แอเอาปลาสลิไงเป็นกล่องๆอ่ะมันจาเมืไทยอางไมถวายพระผ้ายังฉันเป็นใหญ่เลยบอกโอแเลิกบาเลนี้ก็เป็นถวายไม่เกี่ยวไม่กับกาบได้เจตนานี่ไมเกียวไเกี่ยวาเอาเรื่อปลาไปให้ปลาไม่เป็นเพราะพี่ไม่รู้ที่พี่รู้แต่ว่าพี่อยากพี่ได้ปลาพี่จะทำบุญอ่ แม่แ่ทตัวสาหรับน้อยนะทางกูดะแม่ก็ทำปราที่พี่แอบใส่ไอจีใส่ที่เราตายแม่ก็ไม่บาไม่บาเอว่านะพี่เจตนาว่าพี่ไมได้เจตนาเลยพี่อยากให้เขาน่ะมันให้ให้บนสะอาดแล้วก็ยังเห็นเขาว่ายังมีความสุขอย่ามีความสุข้นสใจนี่แต่ค่าปลาทั้ง36ตัวพี่อย่าล้อ่อย่าเราโอยม่บาหลุ่มใหญ่หวังอยู่ตรงนั้น่ะ ลี่พตกาตลอดชีวิตมาเราถ่ากิงปลาามากมาสามแล้วตีมึงหว่าบาปตีเพราะอะไรล่มต้องเจตนาพี่เจตนาเพราะเจตนาตีแบบน้ตอนนั้นลูกท่านเดินหายด้วย้เจตนาล้วก็ตนาจะตายก็มาเอพี่ผมขอออกความเห็นหน่อยนะครับกติผมเคยเรียนรู้ว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะวิญญาณจะไปเกิดทันที ถ้าไม่เกิดก็อยู่เป็นสัมภเวสีแต่ไม่ควรอยู่เป็นสิบปียี่สิบปีเหมือนกับที่คิดถึงพ่อแม่ผมฝันถึงคนที่ตายไปแล้วบ่อยแต่ผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีผมคิดว่าจิตคนเราเนี่ยนะมันมี subconscious memory คุณจำอยู่แล้วเวลานอนเนี่ยมันออกมาไดนะ้อันนี้มากกว่านะผมก็ฝันเห็นแต่ผมไม่คิดมากว่าโอ้ เพราาเข้าฝันเพราะว่าวิญญาณผมไม่คิดอย่างนั้นนะฮะผมคิดว่าเป็นเพราะว่าเราจําได้อและเวลาฝันมันออกมาอย่างนี้มากสัญญาเป็นสัญญาเก็บอยู่ในนั้นแล้วมันผมฝันถึงคนตายบ่อยแต่ผมผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีไม่เคยเจอผีไม่เคยเลยแต่ผมฝันเห็นนะแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นโมดีนะเกิดมาเวลานอนเนี้ยแล้วมันออกมาแล้วแบบไม่ฝันเลยนะพี่หมอไม่จริคือไม่ฝันเลย คือฝันเนี่ยฝันก็คือนักพิาศรเขาพบแล้วว่ามันคือความคิดเวลาเวลาตื่นเอ้เวลาตื่นก็คือความคิดเวลาหลับก็เป็นเป็นความฝันคือคือความฝันนี่มันมันเวฟอยันงไรเบต้าเวฟที่บอกสิบสี่ถึงสาสิบเจ็ดทำไมเขารู้ว่ามันคือคือมันเกิดตอนที่ REM sleep rapid eye movement คือคนเรานี่มันจะมีหลับไปเนี่ยมันจะมีสเตจหนึ่งถึงสี่ก็คือดิ่งลงไปเรื่อยๆหนถึงสี่เนี่ยันแค่ว่าสมองมันเริ่มคลายตัวเนี่ยแล้วก็ในจุดนั้นอ่ะมันมันมันไม่มีความคิดแต่ว่ามันมีการเลี optimize อะไรที่ไม่สำคัญมันก็วีดออฟอันไหนสำคัญมันก็จะจำอย่างแม่นยำเนี่ยแค่ว่า optimize คอมพิวเตอร์นีมันก็เลาะไอทิมมอมันทิ้งไปพอพอตอนนี้เรายังเคลื่อนไหวอยู่ในฝัน ในในเวลานอนตอนนี้ต่อไปเนี้มันจะเป็น REM Sleep และปิด eye movement ตาเคลื่อนไหวอย่างเดียวแต่ตัวแข็งเลยนะตัวไม่เคลื่อนไหวแล้วก็เขาพบว่าเนี่ยเป็นช่วงที่เราฝันตอนนี้เพราะว่าเขาเขาดูอิเล็กโทรดในสมองหนูนุ๊แรเนี่ ย, เ, ยเข้ามาแล้วใส่อิเล็กโทรแล้วให้มันวิ่งตามเมสเนี่ยให้ไปหาอาหารอะไรจับกลนี้ไหมให้ไปหาอาหารช่องกลให้ไปหาอาหารที่ตรงนี้ พอเลี้ยวตรงนี้มันก็มีคลื่นสมองแบบนี้มาตรงนี้มันจะขึ้นสมองแบบก็เลยขอดไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพอมันพอมันตัวมันหลับเป็นเรนสลิปเนี่ยตัวแข็งทื่อเนี่ยสมองมันวิ่งเนี่ยไปหาอาหารก็รู้รู้จากอีจีมันบอกเอลักษณะตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยลักษณะที่อยู่ตรงนี้มันบอกได้เลยเพราะฉะนั้นทําไมมันไม่มูฟเพราะว่าสมองมันสั่งขณะที่ฝันเนี่ยไม่ให้ไม่ให้มูฟเพราะว่า ถ้ามัน move มันจะทำตาใ้ความฝันแล้วมันก็เลยสมองมัน inhibit มีเซนเตอร์มา inhibit ไม่ให้ move move ได้อย่างเดียวไปตายคนเราก็เหมือนกันเราก็ถ้าฉีดยาเนี่ยให้กินยาให้ไม่ไม่มีการระงับของอไอไ inhibitory center เนี่ยมันก็จะ sleep walk เลย <c oughs> มีคนแคสหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ไปฆ่าแม่ยายขับไปตั้งสองกโล อาเสร็จแล้วก็เขาบอกรักกันมากนะไม่เคยมีเรื่องอะไรพอค่าเสร็จใช้มีดแทงเลยอะไรมันแล้วก็ขับรถแปรไปที่ตํารวจไปมอบตัวแต่ก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นพอลุขึ้นเขาบอกนี่แม่แม่ยายตายพ่อตายด้วยผมรู้สึกจึงแม่ยายตายแน่นอนแล้วก็เข้าคุกแล้วประกอบมี ม, มเเีเอ้นักเรียนกฎหมายอะ่ะมันไปดูเคสบอกบครอบครัวนี้มีเอ็นาโคเลสซีเยอะ ตลิบบอกจริงมันก็เลยไปรปเซ็นต์ต่อสารมัน่าหลุดเขาปล่อยมันมันไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาบอกงั้นขับไปตั้งสอกิโลเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเขาขื้นสมองตรงนี้เป็นขึ้นสมองเดียวกันเรื่องอะไรที่หมอจีนไปอยู่ มุนจีไม่กลับมาตาไม่อยากกินเป็ดจุนจีมาต้องฝากคุณแอไปถามออะไรหมอรหลไปถามมาชื่อะลีตรตรงกันเลยแล้วไปมอจีนรลินตรลินเนี่ยตลกนะไม่รู้ฟังเฉยนะไม่ร้อะไรพี่ก็ไม่รู้ขึอธิบายยังไงพี่มีจูนเนอร์พี่มีจูนเนอร์ไงคนเขาถึงมาหาพี่บ่อยประหลาดจริงผมผมมันรับไม่ได้เขาไม่มาหาหรอก แล้วชื่อเป็นตรงกันเลยเดี๋ยวค่ะคืออย่างนี้นะความจริงอะไรไม่รู้จะว่าไรสาระ ก, ก็ไรสาระแต่ว่ามันก็หลาดอ่นะในเมื่อฝันแล้วชื่ออย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นมันมีเจ๋งๆด้วยอ่ะตลกไหมละ่ะที่อยู่ที่บ้านกอดฟรีนะใกล้กับด็อกซ์ซันนันแหละอยู่กอดฟรีบ้านอยู่ ใ, ใกล้ใกล้กันหน่อยด้วยบ้านหลังนั้นอนะ่ะมีรองดูดรลิงกับมิสซิสลิงนะเป็นฝรั่งนะ ไม่ใช่ไม่ใช่นคนไทยแต่เี็นคนจีนแล้วเขาย้ายไปอยู่แคนตักีแล้วบ้านเขาพอ for s a เสร็จแล้วพี่ก็เลยไปซื้อบ้านหลังนั้นเพราะว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าเฮียเขาต้องอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลปีไปไกลแม่ก็เลยมาซื้อบ้านนะี้ไอ้หน่อยกับหมอทันินบอกว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เลยตกลงซื้อบ้านพอทันต์หลินเนี่น N a ย้ายไปอยู่แคนตากีเขาก็ไปตายที่นั่นร็จ แ, แล้วพี่ว่าสุดจีนทุกปีอยู่แล้วปกติก น, นะ พี่ก็ตั้งขอบไปแตะระ ม, มูเหตุเป็ดไก่อะไรอะไว้าวไปเตะโหทํ า, ทาถึงรุ่นนีหนึ่งนะกว่าจะเสร็จเพราะทำคนเดียวตเตะเอาไว้แล้วตอนเช้าตอ้าตองไว้ต อ, ตอนเช้ากลางคืนสักประมาณตีสี่พี่ก็ฝันเลยพี่ระเมอไม่ฝันพี่ระเมอเรืึงไงแล้วก็มันก็ร้อเนเดี๋ยวว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะว่าด็อกเตอร์พี่เห็นคนเนี่ยในฝันเนี่ยมันมาอย่างนี้ยมันเดินอย่างเนี้ย มาเชสพี่อะอยู่ในบ้านพี่ก็เดินวิ่งรอบร บ, บ้านข้างในอะนะเดินหนีเขาอะเขาก็มาเดินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแม่จ๋าช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยแม่ช่วยแล้วเหี้ยเขาบอกเธอรมือใหญ่นะเขาบอกอะไรอะไรถึงมันบอกไม่รู้อะแม่ฝันเห็นผีมันมันลัอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็บอกหัวนอนอยู่ใกล้ใกล้รู้จักเรียกแม่อยูอยอย่ไกลไกลเขาไปเรียกแม่ช่วยช่วย่ารียก็ตลกดีนะแล้วเราก็บอกว่าใครว พอเช้ามาพี่ก็ไหว้เจ้าเสร็จพี่บอกขอให้บุคคลที่เราเห็นในฝันเมื่อคืนเนี่ยที่มาเชียร์เราให้มากินอาหารถุกกินเพราะวันนี้เป็นวันจุกกินเราไหว้ขอให้ดวงวิญญารที่เราเห็นมากินอาหารถุกกินเขาก็ต่อแล้วพี่แล้พี่ก็บอกเขาเสร็จปุ๊บคือนัดฝันอีกแล้วฝันว่าไปเที่ยวแคนปาดาไปถึงปุ๊บเขาไปเจอฝรั่งแก่ๆคนนึงนะอ่ะแม่หนู บ้านเขาโอ้โหนี่เป็นรู้ว่าน่ามีฟักแฟงแตงกวาก็าอยู่เ ต, ต็มเลยแตงโมก็มีแฟงก็มีข้ออยู่ตามรู้ว่าปลูกเต็มเลยถ้าเราอยู่แล้วเดินไปไปเห็นเขาเราก็าไปรู้จักครับเราก็บอกเออคุณลุงมาหลานว่าทาไมมันมีฟักแฟงแตงกวาเยาอะแบบเขาบอกเขาชอบปลูกของตัวนี้ยเข้ามาเข้ามาก่อนเข้ามาในบ้านเขาบอกเขาเนี่ยชื่อดตร์หลินนะแล้วเขาก็บอกเข้ามาในบ้านก่อนก็เข้าไปพอเข้าไปในบ้านเขาเน<อ>ี่ย ก็เห็นอาหารจีนวางอยู่นนบนโต๊ะเอนะมีมีไอไอโบก <im itation> ูบมีล็อตเตอร์มีโูตัวแดงๆตั้งอยู่บนโต๊ะ น, นะโอ้แล้วถามว่าคุณลุง <c oughs> กินอาหารพว น, นี้ได้เหรอโอ้ชอบมากเขาบอกนี่อาหารจีนชอบมากแล้วไปซื้อที่ไหนอะเ น, นี่ยโคเกอร์ก็มีขายเขาบอกนะ <c oughs> แล้วก็าี่เมียเขาชื่ออลิลเสเบรตเขาแนกหนัง เราก็ก่อนจะกลับบ้านแล้วก็เออเข้าไปแล้วเขาก็เอาน้ำให้กินเอาเอาฟักแฟงแตงกวากลับไปด้วยนะเขาขอบคุณเราเพราะหวกลับไปด้วยแล้วบอกข่าขอบคุณพอาตื่นขึ้นมาปุก็เลยโทรไปถามหมอทานินทร์ทมานินทตามีหน่อยอะนะมหมอทานินดตรลินเนี่ยเขามีเมียชื่ออะไรอะ่ะชื่ออลิสเบต<ม>หมอธานินทรเขาอยู่ก่อนเขารู้จัก แ, แล้วแล้วดรลินเนี่ยทำไมเขา เขาถึงกินอาหารจีนเขาชอบกินอาหารจีนนะอุ้ยเจ๊เขาไปเป็นหมออยู่บางจีนตั้งสิบสี่ปีเขาชอบกินอาหารจีนมากเลยเขาว่าอย่างนี้เขาบอกโอ้โหเนี่ยตลกไหมล่ะแล้วเขากาขอแเ้าก็เห็นเราไหวอาหารจีนแล้วเขาก็มาขอกินแต่แล้วแต่แล้วเราก็บอกอุ้แล้วเราจะไปเอาที่ไหนวะคูเปิร์แต่เขาสั่งเราก็บอกโคเกอร์มีขายัน่ะ ตอนนั้นก็ไม่มีโป๊กเกอร์ก็ไปซื้อมาเลยนะซื้อลอตเตอร์ซื้ออะไรมาไหวแล้วหลังจากนั้นยังนิมนต์พระมาทำบุญบ้านที่ส่วนส่วให้เขาด้วยแล้วก็ไปซื้อลอตเตอร์ซื้อซื้อบูมาแล้วก็ไม่มาแล้วบอกว่าอย่มารบกวนอราดีนะเราบอกเราขอไปอยู่บ้านรี่ไกลเขาขาบ้านเต็มแล้วเราไม่ดูแลเขอย่ามาลดเยนเป็นสุ่มแล้วเขาไม่มาเลยกระโดดกระมีซิกเซิงไง พี่นกไม่เคยรู้จักเลยด็อกเตร์ลิ น, นาตาอย่างเงี้ยแล้วพี่ไม่รู้เดี๋ยวเขาเมียเขาชื่ออะไรอย่างเงีเ้ยแล้วเมียเขาชื่อ น, นี้แล้วพี่บอกตรงนะพี่เด้อหอขอนินดตรลินนี้เขาทำไมกินอาหารจีนได้เหร อ, เ, อเจ๊ไม่รู้เหรออยู่บต้องสิบสี่ปีเข้าไปอยู่บนจีนอ่ะแล้วเมียเขา ช, ชื่ออะไรชื่อลรสเบเยก็จะว่างไงอะ่ะแลพี่รู้ได้ไงพี่ไม่รู้อ่ะแล้วเป็นดอกเตอร์ิจริงๆอะ่ะ ดิคืออะไรแด้วแย่ก็แล้วเขาเย้ายมาอยู่แคตะ ก, กี้ด้วยแ้เขา ไ, จจจจไปฟ้าที่แคตะ ก, กี้ด้วยแล้วทไมพี่ตามไปเที่ยวแขตะ ก, กี้แล้วแล้วเขาบอกว่าเข้ามาในบ้านก่อนสิแล้ว เ, เ, เอาไอ้แงอ่ะค่อยไปลุกๆเนี่ยคืออะไรหมอหมอต้องาเกี่ยวข้ากันเลยนะไปอธิบายไม่ได้มีนยานเขาใช่หมผงจะใช่แล้วเขาเาอยากกินอาหารใช่ไหมือมันฝันทคนเป็นก็ได้ผมก็มี ใหเป็นยายังเคยเล่าแล้วบางคนใกล้เคยได้แต่เขาเป็นเจ้าของบ้านผมเคยฝันว่าเพื่อนเพื่อนที่เป็นครูด้วยก็แกวผมสองสมปีเ่ได้ทนดิ่งที่บ้านเนี่ยเป็นยิวแล้วก็เขาเป็นคนเจ้าชูไม่ได้หลออะไรหรอกมีมั่นกันผั้หญิงหลายคนแล้วก็มีมีผู้หญิงคนอื่นที่มาช่วยเอาเขาก็เอา o ป t อนเตอร์เทนเมื่อใกล้ๆจะแต่งงานเขาจะมีวิธีหลุดทุกทีอ่ะแล้วเขาก็ไปเจอ มีเตรียมแต่งงานหลายทีด้วยแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยแล้วก็เป็นโซเชียลว r ร์กเกอร์สวยแล้วก็เ้าก็คุเดทกันเราก็รู้เขาเดทกันเครไปกินข้าวอลไก็แล้วมีอยู่พออีกสักปีหนึ่งไปเจอเขาไมผู้หญิงผอนเลยว่าแทบเป็นที่อยแบบเขาบ u ็อกเขาไอโอเว้นและเป็นยูอโบลกกับโอ้่าเราเสียใจจริงนะเพราะว่ายูดูรักกันมากเลยขนาดแม่ยังบอกว่า อยู่ไม่ต้องไปหาผู้หญิงคนนึอีกแล้วะคนนี้แหละก็ยังยังคล้ายๆยังยังปลกก้าวไปเขาได้เลยแล้วบบพออีกสักพักผมไปฝันฝันว่าเนี่ยฝันว่าเขาท้องผู้หญิงคนเนี้ยท้องท้องไรโอนเนี่ยแหละแล้วไปไปเจอเขาเวลาออกเขาดีกันแล้วครับอกแล้วบอกไอ้ฝันย้ออยู่ท้องด้วยนะโนเ a y ย e น e ันวันนึกคิด้วก็บอ่าเออกเดือนส่ง ส่งบัตรมาแชวเวอร์มีลูกสาวอีกสองคนนะแล้วตัวเขาเป็น้เนี่ยไตรโอเบล ส, สโอม่าผู้ชายแล้วก็ตายอยู่ปีครึ่งก็งตายไปเจอที่แถวทาร์เก็ต ท, ที่ตรงเบนโบแล้วเขาเป็นยังไงลูกสาวโตแล้วเริ่มอยู่ไฮสคูลของมิ e r a เ l อร์บอท s ลฟ์มิสซิเออราต้องดูแลลูกดูอะไร We n ยูวอันดอร์ดทร It's so bad ขออนุญาตนะคะนี่ต้องเข้าไปหาอ่านจิตสุดท้ายที่น้อยนั้น เ, เป็นคนศึกษาเรื่องจิตสุดท้ายมากเลยไม่รู้พี่หมอได้เคยอ่านเจอตำปที่ว่ามีพระรูปหนึ่งอะ่ะในพระสูตรนี่เรื่นี้ก็ในพระสูตรเหมือ น, นกันที่ว่ามีคนเอาเอาเอาผ้าไตรอ่ะรที่เป็นเลนใช่ไหมที่เป็นเลนใช่ใช่ใชยิง่งอ่านพวกนี้แล้วยิ่ ง, ยงทาให้เราอยากจะฝึกตัวเราให้จิตเราดีๆฝึกฝึกไปเรื่อยๆจิตสุดท้ายนี่น้อยว่ามันสําคัญมากจริงๆกย่ที่พูดอะ่ะขนาดพระพุทธ พระที่ว่าตายแล้วไปเกิดเป็นเลนแล้วไปหัวหวงผ้าจีวรอ่ะเข้าใจไหมคือว่าเป็นท่านชอบท่านชอบจีวรมากท่านหวงหวงจีวรมากแล้วก็พอก็ไอ้ฟิชฟิชบักอะเช๊ะเชฮือเชะฮือที่มันเหมือนปลาี่มีหางยาวๆงเงี้ยตัวเล็กๆนนที่เราใส่ลู ก, ล, กลูกเหม็นเพจัดการในพวกนี้มันกินผ้าไงฟิชโรชอะไรเนี่ย <ชะ S 1> คือว่าถ้าค่าจิตเราเหมือนเหมือนตัวขออนุญาตเดี๋ยวนะถ้าเราผูกพันอะไรมากอ่ะมันมันจะทุกข์แล้วแล้วคราวนี้ยมพูดถึงอ่าพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องจิตสุดท้ายแล้วที่ที่นะฝั่งฝังพี่เขาราคือเราไปอ่านเจอหลายข้อสูตรมากเลยแล้วเลยมีความรู้สึกว่าจิตสุดท้ายเนี่ยมันสําคัญจริงๆว่าเราจะสะสมอะไรแล้วมันก็จะไปแบบนั้นจริงๆอ่ะคือคือพระเจ้าห้ามคือคือท่านห่วงทิาจีวรท่านมาก เขเลรักอ่ะแล้วก็ทเจ้าบอกว่ายไปอยไปแตะลีวอหนึ่งอาทิตย์นะเพราะเาไปเกิดเป็นเลนในตัวนี้ฟิชฟิชบักของเ้าเป็นเป็นเลนอ่ะแล้วก็อยู่ในอยู่ในผ้านะเงี้ยพราะเขาห่วงไงพออยู่ในจีมงของเขาไปเกาะไว้ไงก็ได้สวยสุกไงแล้วก็พอพอมันไซเคิลเขาอาทิตย์หนึ่งก็ตายแล้วก็ไปเกิดที่อื่นแล้ว คืพระเจ้าข้าก็อย่าอย่าอย่าไปเอาผ่าให้รอหนึ่งหนึ่งสัปดาคือไม่ได้ไหมข้าวไปไปไปเผาหรือไปทำอะไรเพราะว่าอย่าไปแจกคือปกติเขาก็าจายเาจะแจกข้จะแจกอีกอีกข้อสูตรหนึ่งที่ว่างูอ่ะพี่หมอที่ว่าหวงสมบัติมากไเกิดเป็นงูเฝ้าสมบัติเออเกิดเป็นงูเฝ้าสมบัตินนก็ฟังแล้วอ่านข้าสูตรแล้วมันก็เออมันก็จริงนะไอจิตเราไปติดอยู่กับอะไรมากมากไง ผลชุดท้ายนะเราก็ไม่ได้ไปเกิดมันก็ไปไปเป็นไอสัตว์เิริชาข้อสมบัติเป็นสัตว์พิริชาหรือว่ากา็ปลาแล้วมันก็ปเป็นอะไรเนี่ยอ่าจนกระทั่งมันหมดกรรมมันนั้นแล้วมันก็ไปเสวยกรรมที่ถาวรต่อไปคือคนส่วนมากเนี่ยมันหลงเพราะตัวเองเนี่ยหลงอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมีสติยัยากนักเลยถ้าเไม่ได้รับการเทรนหรือทำใช่ไหมฮะเมื่อเวลามีเวทนาเวลาเราก็ลงไหรือไปจับเวทนา ว่าจะจับเวทนามันก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะพระท้าหลงมันก็เป็นสัพ์เดียราชานแน่ๆอันนี้เป็น for sure เลยเพราะงั้นท่านพระเจ้าท่านบอกเขาคายสองทางท่านที่จะขึ้นข้างบนที่เรือ the rest ลงข้างล่างเพราะฉะนันอย่าืว่าเราปลอัไม่ปลอดภัยเลยน้าม่ถ้าไม่ปิดอบายอันนี้เป็นอันน่ที่ที่คิดว่าพวกเราควรจะ พี่อาแหว่มากมากเลยที่ชอบทาอะไรสักอย่างตีเทนนิสทุกวันทุกวันจิตก็ไปอยู่ไว้รูเทนนิสทำอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้นิดงไปเลยท่านท่านจงแนะนว่าให้ให้ให้ให้ฟังค่ให้ฟังฟังธรรมะฟังเทพไปก่อนฟังอยู่เนือฟังตลอดแม้กระทั่งานเขาบอกว่าตามตามที่รได้ยินมานะคะแล้วก็ศึกษาดูว่า ที่เห็นแล้วก็ปฏิบัติด้วยตัวเองกับพี่สะพย้ยซึ่งซึ่งเข้าตายคามบน้อยเลยนะแล้วก็เป็นคนชอบพิสูจน์ที่นิสัยเราเป็นคนชอบพิสูจน์เพราะนั่ก็ไม่ค่อยจะเชื่ออ่าเราไปเจอพระสูตรที่ว่าพระสูตรที่บอกว่าจิตสุดท้ายเนี่ยสาคัญอย่างพี่วีเนี่ยนะคือคือคือคนอื่นเขาไม่เชื่อเขาก็ให้ดูหนังฟังเพลงให้จิตมันรื่นรมอะไรไปด้วยให้หัวเราะแต่น้อยนี่มีความสึกว่าสิ่งสุดท้ายที่เราจะได้รับก็คือธรรมะของพระเจ้า ก่อนที่พี่วิจะเสียเนี่ยน ะ, ะน ก, ก็บอกคือนกเอาไอโฟะเสียบกับอาณาปานาสเตอร์แล้วน ก, กบอกเขาตลอดเวลาบอกเขาตอดพี่วิพี่วิพยายามฟังแล้วก็ตามเสียงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพี่วิอยา่าวอกแวกนะตามๆไปเรื่อยๆตามไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆคือนกพยายามนั่งคือเสียบ<อ>ไปห<ส>ัวเข้าไปแล้วแล้วลนกก็ก<จ><อ>ลับมาเขาจะไปไปอะฮะคือคือคือนกประสบด้วยต <ๆ S 1> <อ>ัวเองแลยนั่นเลยหลังจากนั้นมันยิ่งเชื่อว่า ก่อนเราตายถ้าเรามีบุญพอถ้าเราไปเจอคนที่เชื่อแบบเราก็บุญเราแต่ถ้าเราบุญบารมีไม่ถึงคนก็เปิดหนังฟังเพลงให้เราแล้วคนมานั่งร้องห ง, งุดห้ิดอ่ะมันทำให้จิตจิตเราจิตหลงโอกาสอย่างนี้นะก็มี<ซ>น้อยเพรมันตาอยู่ไม่ไม่รู้สึกตัวไม่ทันไม่ไม่ได้ตั้งสติไม่ไม่รู้ตัวกันก็กบไปอย่างนี้ทำเบื่องถ้ามันมีเป็นเรื่องขออนุญาตแป๊บนึงนะคะคือเขางมายังไม่จบก็คือว่าคือนั่นไปไปได้อ่านข้ะสูตรเราว่า คือนพิสูจน์เนี่ยเอาพิสูจน์กับพี่วินี่แหละว่าพอพอพอเขา้าเข้าถ้าเข้าผ่านตรงนี้ไปได้แล้วตัวเขาเนี่ยตัวพี่วิเหลืองสวยแล้วคนตายธรรมดาเนี่ยตัวจะแข็งแล้วพี่วิคือวันนั้นเราไปแต่งตัวให้เขาแล้วก็ให้หนึ่งกับพี่ตูนไปดูเพราะว่าน้อก็บอกคือเนี่ยคือเอาพสูจน์ให้เขาดูว่าพอเราเร า, เราคล้ายคล้าว่าถ้าเราหลุกคนอะ ตัวเรานี่จะไม่ต้องฉีดยาแล้วก็เราไปใ ส, ส่เสื้อผ้าเขาได้ง่ายคือปกติคนตายนะมันจะแข็งหรือมันจะอะไรแล้วผิวนี่มันจะแต่ผิวพี่วินี่เหลืองเหลืองสวยอะ<ม>แล้วก็นิ่มใ ส, ส่เสื้อผ้าแต่งตัวอะไรได้ง่ายสนอ น, น<ร>หลับคือเขาไปดีไงแล้วพอมาเปรียบเทียบกับคุณเวละที่ตายเหมือนกันเราจะให้ทําให้ไม่ทันเพราะว่าไปตายซาเดรี่ที่โรงพยาบาลก็พยายามพยายามคือคื อ, คอมันลำบากโรงพยาบาลไปเราจะเอาเอาเสียบหูอะไรนั้นก็ เขาวุ่วายกันอยู่ในห้องนั่นอ่ะมันแล้วเราเห็นได้เห็นได้สิ่งที่เราประจับด้วยตัวเราเองอ่ะมันเลยทาให้เรายิ่งยิ่งยิ่งกลัวและยิ่งอยากอยากอยากจะคือฝึกฝึกอย่างที่พระพุทเจ้าท่านสอนว่าให้เสพบ่อยๆให้ทํำบ่อยๆให้ฟังบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆเนี่ยเะว่ามันสําคัญเพราะว่าเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อ่ะสำคัญชัดไม่จงตายเมื่อไหร่เราไม่รู้ไม่รู้ถ้าบุญเราไม่พอนะเราฝึกปฏิบัติมาถึงตอนนั้น ใครมาลูกเต่ามามาร่อผมร้อง่านมาดึงกระงหลกมาอะไรไม่มีจริงๆเพราะว่าแล้วแต่มันบุญเพราะศาสนาเหมือนกันนะมีเรื่องหนึ่งนะคะที่อาจารย์ประโมทเทกเมื่อประมาณสองทที่แล้วท่านบอกว่าเมื่ตอนที่ท่านเนี่ยไอเด็กเด็กอยู่คุณแม่เนี่ก็ไปเลีสนักจากลงจากใกล้ๆลงมาชุวานี่มาเลี้ยงก็เลี้ยงมาจนเรื่อยแล้วก็บอกว่ามาสนักอันนี้อันที่หนึ่งสิงข้อหนึ่งไม่มีไม่กินของอันที่สองมันก็ไม่เคยขโมยเลยอันที่สามท่านบอกท่านไม่รู้ อันที่สี่ก็คือไม่เคยเป็นอาของใคยอันที่ห้าก็คือไม่ขี้เล่าแม่แล้วก็มีเมตตาอย่างสชดมีลูกแมวมาก็จะให้นมกินทีนี้ท่านก็บอกว่าพอตอนเขาจะตายเนี่ยท่านบอกว่านอนตายแต่จิตเนี่ยท่านบอกสว่างมากมองดูตัวเองเนี่ยตายท่านก็เลยให้อ ะ, อะไรนิยามบอกว่าเนี่ยตอนตายเนี่ยพลาดอะไรที่รู้ แต่คนนี้ปฏิบัติมาอย่างดีมากขนาดสามารถที่จะมองดูตัวเองตายแล้วก็ค่อยๆมองไปนีกคืออุทาหรณ์ท่านบอกว่าเห็นไหมว่ามันน่ากลัวขนาดไหนถ้าปิดอบายไม่ได้แม้กระต้องคนคนนี้ควรจะขึ้นมาอยู่ข้างเป็นเป็นพระอริยะแต่ต้องไม่เป็นสุนัขหนึงชาติเพราะว่าท่านเห็นเลยนี่เราก็ดูเราออกแค่นี้ก็ไปแล้วว่านอนดูตัวเองตายเห็นอย่างนี้เลยท่านบอกจิตอย่างนี้เลย อันนี้ที่เราหลังเกมเมสองสองตนี่แต่แต่ยิ่งเรียนไปแล้วเราิงนักติดันึ่งแา้วนักติดความช่วโกอสังคมไทยเขาอกให้ให้อรหันอย่าลืมหรือว่าพุทโธพุโใชุ่โธก็อย่าโอเคเสมอหรือให้ไปเจอพุทธสนาไร่าง้แต่เราถ้าพุทโธได้ชนพุทอื่นเราทไม่ได้เราเป็นุโธเป็นก็ไม่เคยไม่เคยปฏิบัติมาก็ต้องแบบนั้นอ่ะบางทีมัน เป็กคนนำก็จะได้ไม่วอกแวกติตครับใจสบายสบายเขาบอกว่ามิชัยซัพเฟอร์มากหมออาภาลงทุนลงทุนซื้ออะไรไปให้นะแต่รู้สึกตลวนิ่มน่งไม่ไม่รักไนี่ยคือเขาไม่เชื่อถ้าครอบครัวเขาไม่เชื่อก็เหมือนกับบุญไม่ถึงเนี่ย ก็ไม่ใครช่วยได้ขนาดคนเอาเอาไปให้ตั้งไว้แบบนั้นคือถ้าที่ติ๋มถ้าคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อนะเอาไปเอาไปเอาไปแล้วก็สับเสียด้วยเอาไปด้วยเอาไปลงทุนซื้อไอไออะไรนะเรียกอะไรนะไปตั้งไว้ให้แต่ครอบครัวเกาไม่เชื่อที่อ๋อเขาหมออาหานั่นคือคือเห็นว่าเป็นนั่น ข้อความเห็นหน่อยนะคะทุกคนคือถ้าอาจารย์มาสอนนี่เราควรจะตั้งเป็นไลน์กรุ๊ปไหมควรไหมคะมีแค่นี้เนี่นะครับซึ่งจะมีอาจารย์มีอาร์ติเกิลเลยดีๆใส่เพื่อวนจะต้องถึงทุกคนเราก็ได้อ่านมาพร้อมกันขอความเห็นนะคะี่สนองควรจะมีไลน์กรุ๊ปไหมว่าอะไรนะส้นหรือดัมมากรุ๊ปหรืออาจารย์ผมดมคกรุป๊ปผม<ว>ไม่ไหวแล้วผมไม่ไลน์เยอะยนเขียนอะไรไวเยอะเลยค่ะอยู่ในอยู่ในไปเปิด n d Science อนไซม์คลิกเข้าไลน์ได้ไหมคะ มันมันพอไลน์พับลมต้องไปเปิดแล้วถ้าพัมิสไปมันยิ่งน่าเกลียดมิสไปไหนันไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านของเขาาอ่ะส่งเฉยเฉยเราอ่านคือเาจะมีคำสาวขึ้นมาเราอ่านประจำอ่านนจาก Facebook จากเฟซบอันนี้เปิดใหม่กันแบ้วใหม่ฟูเอเวอเรสต์ใหม่ฟูไฮเปอร Awareness แล้วก็ขีด awareness oh, okay. เพราะว่าไห้ฝรั่งเพราะว่าหรือคนที่ก็ทราบสนใจเรือสติ Facebook Facebook ภาษาอังกฤษ m y f o l m y f u l แล้วขีด awareness อ๋อมีคนตรงนี้อยู่ใน Facebook ไอป่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแต่ใ้จริงๆคุณยมันต้องกินเลยน้อยน้อยน้อยน้าน้อยนือยน้อยอยน้อน้อยน้อยน้น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยนเอยน้อยน้อยน้อยนอยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยศ้อยน้อยน้อยน้อน้อยน้อยน้อยน้อยอยน้อยอยน้อยอยน้อยนอยน้อยอยน้้อยน้อยน้อ้อยน ร้อมมีอะรจะสอนสุดะไม่มีประเทศทางวัดเยนเทกันอทีแ้นค่ยรู้สึกสบายรู้สึกวอชจะือ